วันนี้เป็นวันพระวันธรรมะสวรังแปลว่าการฟังเทศฟังธรรมการฟังธรรมการศึกคือการศึกษาธรรมศึกษาธรรมเพื่อปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุธรรม การได้บรรลุธรรมก็คือการได้ริมรถแห่งธรรมนั่นเองรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงการที่เราจะริมรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงได้เราต้องมีความยินดีในธรรมความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ ที่จะดีเท่ากับธรรมของพระพุทธเจ้าการยินดีในธรรมก็จะทำให้เราได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมเมื่อเรามีความยินดีในธรรมเราก็จะยินดีต่อการศึกษาธรรมยินดีต่อการฟังเทศน์ฟังธรรมพอเราได้ยินได้ฟังธรรมเราก็จะมีความยินดีที่จะปฏิบัติธรรม พอเราได้ปฏิบัติธรรมเราก็จะได้บรรลุธรรมพอเราได้บรรลุธรรมเราก็จะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงคือความสุขของธรรมเหนือกว่าความสุขทั้งปวงนั่นเอง <c oughs> ความสุขของธรรมนี้ก็มีแบ่งเป็นขั้นขั้นไป มีขั้นที่หนึ่งคือทานขั้นที่สองคือศีลขั้นที่สามคือภาวนาขั้นภาวนานี้ก็แบ่งเป็นสองขั้นส ม, มถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาส ม, มถะภาวนาคือสมาธิหรือความสงบวิปัสสนาภาวนาคือปัญญา คือความรู้แจ้งเห็นจริงหลุดพ้นด้วยปัญญาหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยปัญญานี่คือธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้เรามาสัมผัสกันให้สัมผัสตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งเพราะขั้นที่หนึ่งจะง่ายกว่าขั้นอื่นๆ ก่อนที่จะขึ้นขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่ได้ก็ต้องผ่านขั้นที่หนึ่งก่อนเหมือนกับการศึกษาตามโรงเรียนก็ต้องผ่านขั้นอนุบาลถึงจะขั้นขึ้นสู่ขั้นปถมได้จากขั้นปถมก็ไปมัธยมจากขั้นมัธยมก็ไปขั้นปริญญานี่เป็นความยากง่าย ของการศึกษาของการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมก็มีเป็นขั้นที่ยากง่ายต่างกันไปพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พุทธศาสนิกชนมามาศึกษามาปฏิบัติตามขั้นตามลำดับไปจะได้อา่า ไม่ท้อแท้ไม่เบื่อหน่ายถ้าไปศึกษาไปปฏิบัติขั้นที่ยากก็จะไม่ได้ผลก็จะเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายได้จึงควรเริ่มในขั้นที่เราสามารถที่จะปฏิบัติได้และสามารถริมลดของผลที่เกิดจากการปฏิบัตินะดังนั้นทุกคน ควรที่จะเริ่มที่ขั้นที่หนึ่งกันก็คือขั้นทานทานแปลว่าการให้ให้ในสิ่งที่เรามีเรามีเงินทองมีข้าวของมีอะไรที่เราเหลือกินเหลือใช้ไม่ต้องเก็บเอาไว้ก็ได้ไม่ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยเงินทองของใช้ เหล่านี้ก็เอาไปทำทานเอาไปทำบุญทำทานแล้วจะได้บุญบุญคือรสของธรรมนี่เองรสแห่งรสแห่งธรรมนี่เราเรียกว่าบุญบุญคือความสุขใจความอิ่มใจที่เกิดจากการเสียสละแบ่งปันให้ข้าวของเงินทองที่เรา ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บไว้หรือใช้มันเราก็เอาไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพื่อนสัตว์ร่วมโลกกันเพราะการทำบุญทำทานจะให้เราได้สัมผัสกับความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นความสุขที่ดีมีคุณค่ามีประโยชน์ไม่มีโทษ เมื่อเปรียบเทียบกับความสุขที่เราเอาไปที่เราได้จากการเอาเงินไปใช้ตามความอยากต่างๆการเอาเงินไปใช้ตามความอยากเราก็ได้ความสุขแต่เป็นความสุขเดี๋ยวๆแล้วนอกจากได้ความสุขแล้วยังได้ความทุกหรือได้ปัญหาตามมาด้วยเพราะการ ใช้เงินตามความอยากมันจะทำให้เกิดความอยากใช้เงินไปเรื่อยๆเป็นการติดแล้วเวลาที่ไม่ได้ใช้เงินตามความอยากเวลานั้นก็จะรู้สึกกงดหงิดลำคาญใจซึ่งถ้าเราใช้เงินตามความอยากถ้าเราไม่ละมัระวังเราก็จะต้องเจอวันที่เงินทองไม่พอใช้ พรความอยากมันไม่มีวันหมดพออยากได้สิ่งนี้เราก็ซื้อมันเงินก็หมดไปก้อนหนึ่งเดี๋ยววันต่อมาก็อยากจะได้สิ่งนั้นก็ซื้ออีกเงินก็หมดไปอีกแต่ความรู้สึกที่ได้มันได้เดียเด๋ยวๆได้ความสุขเดี๋ยวเดียวได้ตอนที่ซื้อของนั้นมาแต่หลังจากนั้นพอเกิดความอยากใหม่ขึ้นมา มันก็สร้างความหิวขึ้นมาอันนี้เป็นปัญหาถ้าเราใช้เงินซื้อความซื้อสิ่งต่างๆเพื่อให้เราได้ความสุขมันจะเป็นความสุขที่มีความทุกข์ติดมาด้วยมีความอยากมีความหิวที่ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอต่อให้เราซื้อมากน้อยเพียงไร เราก็จะหิวจะอยากเหมือนเดิมในทางตรงกันข้ามถ้าเราเอาเงินไปทำบุญทำทานเวลาทำแล้วใจเราจะไม่หิวใจเราจะมีความสุขและจะมีความอิ่มมีความพอคือไม่ได้มีอยากไม่ได้อยากได้อะไรเหมือนกับการเอาเงินไปใช้ตามความอยาก พอใช้ตามความอยากแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาแต่การนำเอาเงินไปทำบุญทำทานจะไม่ได้ทำให้เกิดความอยากใหม่ทำให้ความอยากที่เคยมีมันลดน้อยถอยลงไปก็ยอยากซื้อข้าวซื้อของพอเราเอาเงินที่จะไปซื้อข้าวซื้อของมาทำบุญทำทานความอยากซื้อข้าวซื้อของเหล่านั้นก็จะลดน้อยถอยลงไป แล้วต่อไปมันจะไม่มีความอยากซื้อข้าวซื้อของที่ไม่จำเป็นหรือฟุ่มเฟือยหรือหรูหราเพราะว่าเราไม่มีความอยากในสิ่งเหล่านั้นเราได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่เกิดจากการทาบุญทรทานที่มีรถที่อิ่มกว่าดีกว่ามีความสุขกว่าและไม่มีโทษ ไม่มีความอยากตามมานี่คือเรื่องของการทำทานถ้าเรามีเงินทองแล้วชอบเอาไปใช้กับความอยากต่างๆให้เอามาใช้กับการทำบุญทำทานแล้วรับรองได้ว่าต่อไปความอยากใช้เงินซื้อข้าวซื้อของซื้อสิ่งที่ไม่จำเป็นทั้งหลายจะไม่เกิดขึ้นในใจของเรา เห็นอะไรจะรู้สึกเฉยเฉยไม่เห็นว่ามันจะโดดเด่นเลิศโลกที่ตรงไหนเลยมันก็เป็นแค่วัตถุเป็นแค่ข้าวของเราไม่มีมันเราก็อยู่ได้ไม่เห็นจําเป็นจะต้องมีมันเลยถ้าเราทําบุญทาทานแล้วใจเราจะเกิดความอิ่มเกิดความพอไม่หิวไม่อยากกับข้าวของเงินทองข้าวของต่าง ที่ไม่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีพนีถ้าเราจะซื้อจะหาเราก็จะซื้อจะหาแต่สิ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีพเช่นปัจจัย4ี่และการหาปัจจัยสี่ของเราก็จะเป็นไปด้วยเหตุผลคือไม่ได้เป็นไปตามความฟุ่มเฟือยตามความหรูหราอันนี้เพราะ ถ้าใช้เหตุผลใช้ปัญญาแล้วของแพงหรือของถูกมันก็ทําหน้าที่เหมือนกันเสื้อผ้าแพงเสื้อผ้าถูกมันก็ใส่ได้เหมือนกันพระพุทธเจ้าสอนในพระใช้เสื้อผ้าที่ถูกที่สุดคือเสื้อผ้าฟรีเก็บเก็บผ้าที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเห็นไหมผ้าบังสกุลก็ย้ายหรือเปล่าผ้าห่อศพเนี่ยเรียกว่าผ้าบังสกุล นี่ของดีที่สุดก็คือของฟรีอย่าไปใช้ของแพงๆไม่ดีเสียเงินเสียทองไปปล่าๆแล้วต้องมากังวลใส่ของดีๆเก็บไว้บางทีก็หายได้คนเห็นเขาชอบก็มาขโมยไป น, นี่คือเรื่องของคนที่ทำบุญทำทานจะไม่มีความหิวโหวยกับสิ่งต่างๆเพราะ เคยสัมผัสมาแล้วเมื่อมาสัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ได้จากการทำทานนี้มันต่างกันคนละโลกทำบุญมีความสุขกันเยอะดีกว่าเอาเงินไปเที่ยวเอาเงินไปช้อปปิ้งอะไรกลับมาบ้านไม่กี่วันหายไปหมดแล้วหรือแต่ความหิวโหยความอยากไปเที่ยวอยากไปช้อปปิ้งใหม่แต่ทำบุญทำทานแล้วเกิดความปลื้มปิติในจิตใจ ยิ่งถ้าเราเห็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการทําบุญของเราจะได้ช่วยเหลือคนที่เขายากจนเดือดร้อนให้บรรเทาความาทุกข์ยากเดือดร้อนเนี่ยทำแล้วจะมีความรู้สึกมีความอิ่มเอิบใจสุขใจขึ้นมาเพราะเราคิดเป็นพราะเราก็จะคิดว่าถ้าเราเป็นเขาเราเดือดร้อน แล้วมีคนมาช่วยเหลือเราเราจะรู้สึกอย่างไรเราไม่มีข้าวกินไม่มีที่อยู่อาศัยมีคนเขาช่วยเราหาที่อยู่ให้เราหาข้าวให้เรากินอย่างนี้มันเกิดความรู้สึกที่ดีกว่าการที่เราไปซื้อซื้อเสื้อผ้าซื้อลองเท้าซื้อกระเป๋าซื้ออะไรต่างๆมันรู้สึกดีใจเดียวๆดีใจที่ได้ตามความอยากเท่านั้นเอง ไม่มีความพออย่างเมื่อสองสามวันก่อนมีชาวต่างประเทศคนหนึ่งหลงทางขึ้นมาไม่ทราบใครแนะนำบอกว่าให้มาหาเขาต้องการความช่วยเหลือเขข้าของเงินทองถูกขโมยหมดไม่มีเงินติดตัวมาเลยมีแต่ใบแจ้งความถามคนคนก็บอกให้มาหาเรา ก็คิดว <t art. S 1> ่าเราคิดว่าเห็นตาต่างชาติมาที่นี่ก็มักจะมาหาเราเขาก็อุตส่าห์เดินรู้สึกจากปากทางมาข้างบนนี้มั้งเขว่าสามชั่วโมงอ่ะเดินเดินจากปากทางเข้ามาถนนสุขุมวิทเนี่ยเดินมาถึงนี่ประมาณสามชั่วโมงก็เลยพอดีมีญาติโยมท่านหนึ่งจะมา ทำบุญพอดีก็เลยฝากให้ช่วยดูแลหน่อยญาโยมท่านนั้นก็เลยคุยกันแล้วก็ได้ความว่าเขาอยากจะไปสถานทูตเพื่อที่จะได้ไปขอหนังสือเดินทางใหม่ก็เลยช่วยเหลือส่งเค้ลืลอตรถตู้จ่ายค่ารถตู้ให้แล้วก็ให้เงินไปก้อนหนึ่งเพราะว่าเขาจะได้ไปดำเนินการที่เขาต้องดำเนินต่อไป ทำอย่างนี้มันเห็นมันเห็นผลทันตาเห็นประโยชน์เกิดขึ้นทันทีเห็นคนที่เขาทุกข์ยากเดือดร้อนได้รับการบรรเทาทำแล้วมันรู้สึกมีความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาดีกว่าเอาเงินก้อนนั้นไปซื้ออะไรหรือไปเที่ยวซึ่งได้ความสุขแป๊เดียวเป็นการบรรเทาความหงุดหงิดจะมากกว่า เวลาเราไปเที่ยวไปซื้อของเพราะใจเรามันหดเหยียดใจเรามันอยากมันโหยอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ตลอดเวลาเพราะมันไม่เคยทําบุญนั่นเองถ้ามันเคยทําบุญทําทานแล้วมันจะไม่หิวโหยกับสิ่งต่างๆนี่คือเรื่องของการทําทานลดแห่งธรรมที่เราสามารถสัมผัสได้รวดเร็วและง่ายได้ที่สุด ว่าเราอยู่ในฐานะที่เราทำได้เรามีเงินทองที่เหลือที่เราจะมักจะเอาไปใช้กับสิ่งที่ไม่จำเป็นลองเอาไปทำบุญดูลองเลือกทำบุญชนิดที่ทำให้เรามีความรู้สึกปลื้มปิติมีความสุขใจทำแบบไหนก็ได้ทำกับใครก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องมาทำกับวัดทำากับพระอาริยะสงฆ์เท่านั้น ถึงจะได้บุญบุญนี้เป็นความรู้สึกใจรู้สึกความสุขใจที่อยู่ในใจไม่ได้เกี่ยวกับผู้รับเกี่ยวกับผู้ให้ว่ามีความชื่นอกชื่นใจกับการเสียสละเงินก้อนนั้นไปเท่านั้นเององั้นทำได้บางคนชอบทำกับสุนัขจรจัดก็ไปช่วยสุนัขจรจัดก็มีบางคนก็ชอบ ปล่อยนกปล่อยปลาบางคนก็ชอบไปถ่ายวัวถ่ายควายที่เขาจะฆ่าเห็นถ่ายเห็นได้ช่วยเชือ้อช่วยเหลือชีวิตของเขาเนี่ยมันเห็นผลตันตามันทําให้เรารู้สึกมีความสุขมีความปิติขึ้นมาทันทีเพราะถ้าเรามองมุมกลับถ้าเราเป็นเขาเราจะรู้สึกอย่างไรวันนี้จะต้องตายแล้ว แล้วอยู่ดีๆก็มีคนใจบุญมาถ่ายชีวิตเรานี่คือวิธีการทำบุญที่จะทำให้เราได้เห็นผลบางทีเราทำไปแบบไม่เห็นผลเราก็เลยอาจจะไม่ค่อยรู้สึกมีความรู้สึกมีความยินดีเท่าไหร่เช่นเวลาคนเขาเอาซองกระทิ้นมาแจกนี่เราก็ บางทีเราก็ไม่รู้ว่าไปถึงไหนเริ่มใบไม่ถึงไหนก็ไม่รู้แต่บางทีก็ทําเพราะความเก่งใจอย่างนี้มันจะบุญแบบนี้มันยังไม่มันไม่แน่เพราะไม่เห็นกับตานั่นเองเพราะไม่รู้ว่าจะไปถึงที่เขาพูดหรือเปล่าแต่ถ้าเราทําไปด้วยศรัทธาและความเชื่อและความยินดีเราก็ได้บุญ แต่ถ้าเราลังเลสงสัยขึ้นมาเมื่อไหร่บุญนั้นก็อาจจะสั่นได้เอ๊ยไปถึงหรือเปล่าหรือถ้า้มาได้ข่าวขาวว่า เ, เงินก้อนนั้นมันไปไม่ถึงเสียแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เราต้องทำใจเพราะว่า เ, เราถือว่าเราได้ทำแล้วแต่เงินนี้มันไปไม่ถึงก็มันก็เป็นความสวยของผู้รับไปไม่ได้เป็นความสวยของเรา เ, เราก็ยังได้บุญอยู่ถ้าเราคิดแบบนี้ คือเรายินดีที่จะเสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นแต่การที่จะไปช่วยเหลือเขาอาจจะไปไม่ถึงผู้ที่เดือดร้อนก็ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้รับที่เขาอาจจ ะ, ะมีบุญแต่มีกรรมมาบังไว้ก็เ <c oughs> ลยยังไม่ได้รับผลบุญที่เขาเพ่งที่จะได้รับอันนี้ก็เรื่องถือว่าเป็นเรื่องสุดวิสัยไป แต่คนให้จะไม่ต้องจะได้บุญถ้าไม่มาคิดเสียใจคิดว่าเราทําแล้วเราเราเสียสละไปแล้วเรายินดีให้ไปแล้วจะไปถึงหรือไม่ถึงหรือเขาจะาไปทําอะไรหรือไม่ทําอะไรอันนี้ไม่ใช่เรื่องของเราแล้วถ้าคิดอย่างนี้การทําบุญก็ยังจะทําให้เรามีความสุขใจอิ่มใจได้แต่ถ้าเราทําบุญแล้วเราต้องไปคอยเฝ้าดูว่าเงินนี้ไป ตามเป้าหมายหรือเปล่าถ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายเราก็แทนที่จะมีความสุขเราก็กลับจะมีความเสียใจก็ได้อันนี้ทาอย่าทำแบบนี้ถ้าทาแล้วก็ก่อนจะทำก็คิดให้รอบครอบก่อนคิดว่าทำแล้วจะได้ตามที่เราคิดแล้วก็ทำไปส่วนถ้าเกิดมีอะไรมันพลิกแพงเปลี่ยนแปลง ทำให้มันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดก็อย่าไปเสียดายอย่าไปเสียใจถ้าไม่งั้นเราจะไม่กล้าทําบุญเลยมัวแต่มาคิดอยู่เลยเอ๊ะมันจะไปถึงไหนไปถึงนั่นรู้เปล่าจะเอาไปทําตามที่เราบอกรู้เปล่าอย่างนี้ก็เป็นปัญหาขึ้นมาอีกฉะนั้นการทําบุญนี้ต้องคิดไว้ก่อนว่าเอเรามีเงินก้อนนี้เป้าหมายของการทําบุญที่แท้จริงก็เพื่อ ค่ากิเลสตัณหาของเรามากกว่าถ้ามีกันก้็ น, นี้แล้วเดี๋ยวมันมันอยากจะซื้อของแล้วซื้อนู่นซื้อนี่อยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่แล้วเนี่ยเราต้องการค่าตัวนี้เป้าหมายของการทําทางที่แท้จริงของเราอยู่ตรงนี้มากกว่าอยู่ตรงที่จะกันไม่ให้เงินกิเลสตัณหามันมีทางออกมีทางที่จะมาเหยียบย่ําทําลายจิตใจของเรา ด้วยการเอาเงินของเราที่เราหามาแบบแสนยากนี่มาให้มันมาเหยียบย่ําทําลายจิตใจเราทําไมเงินทองที่เราหามาเราต้องให้มันมาสร้างความสุขให้กับเราสิอย่าไปให้กิเลสตันหามันมาเหยียบย่ําทําลายจิตใจของเราอันนี้ต้องคิดแบบนี้แล้วอย่าไปทําที่ไหนมันก็จะไม่มีปัญหาแล้ว พรเป้าหมายของเราเป้าหมายที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ว่าจะไปช่วยคนนั้นหรือช่วยคนนี้เป้าหมายของเราต้องการช่วยเราเนี่ยช่วยตัวเราให้พ้นเงื่อมมือจากกิเลสตัณหาที่มันคอยมาสร้างความทุกข์สร้างความหิวสร้างความอยากให้กับเราอันนี้แหละเป็นตัวเป้าหมายที่แท้จริงของการทําบุญทําทานของเราของผู้ทำทําเพื่อกําจัดความโลภความอยาก ทุกครั้งที่อยากจะได้นู่นได้นี่อยากจะไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ค่ามันด้วยการเอาเงินที่มันจะไปเที่ยวนี้ไปทาบุญทาทานแทนทีนี้พอจะทาบุญทาทานเราก็มาพิจารณาดูก็อันไหนเหมาะสมเราก็ทำไปอันไหนเราคิดว่าจาเป็นอันไหนจำเป็นกว่ามากน้อยต่างกันก็เลือกทำไปถ้าพูดตามความจำเป็นแล้ว สิ่งที่เราควรที่จะทําก่อนเพื่อนก็คื อ, อพระศาสนานี่แหละทากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทํากับพระศาสนาเราต้องสนับสนุนศ า, าสนาให้อยู่ได้ให้ได้เพราะศาสนานี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเป็นสิ่งที่ให้ความรู้กับเราเป็นสิ่งที่สอนเราให้เรารู้จักวิธีอยู่อย่างมีความสุข รู้วิธีอยู่อย่างไม่มีความทุกข์ถ้าไม่มีศาสนานี้เราจะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เลยเฉะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือถ้าเราเห็นว่าศาสนายังขาดแคลนอยู่ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่เราก็ต้องมุ่งไปที่ศาสนาก่อนทำบุญกับพระสงฆ์องค์เจ้าก่อน พระสงค์องเจ้าสิ่งที่ท่านจําเป็นที่สุดก็คือเบ็นทบาตเนี่ยอาหารเบ็นทบาศปัจจัยสี่เบ็นทบาศจีวรที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอันนี้ถ้าพระสงค์ท่านได้รับการดูแลในสิ่งเหล่านี้แล้วท่านจะได้ทําหน้าที่ของท่านได้ท่านจะได้ศึกษาพระธรรมคําสอน ศึกษาแล้วท่านก็จะได้นำเอาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วท่านก็จะได้บรรลุธรรมบรรลุเป็นพระ อ, อริยสองขั้นต่างๆพอท่านมีธรรมแล้วท่านก็สามารถที่จะเอาธรรมนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราที่ยังไม่รู้ธรรมอันนี้เป็นเป็นเรื่องของการทําบุญกับาศาสนาทําบุญเพื่อ สนับสนุนให้พระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าคงอยู่กับโลกนี้ไปนานๆเป็นล่มโพล่มไสเป็นแสงสว่างนำทางให้แก่สัตว์โลกที่ยังมืดบอดด้วยโมหะอวิชชาด้วยกิเลสตัณหาจะได้เห็นทางสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ ถ้าไม่มีศาสนาไม่มีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่มีใครสามารถที่จะหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยถ้าไม่มีก็ต้องรอนานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏให้เป็นนมโพลม้มสาให้เป็นแสงสว่างนำทางแก่สัตสัต์โลกสักครั้งหนึ่งพอมีแล้วสิ่งที่เราควรที่จะกระทากันก็คือ พยายามรักษาให้แสงสว่างนี้อยู่ไปนานๆโดยการทำนุบำรุงศาสนาตามกำลังตามความสามารถของเรานอกจากการทำทานแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องศึกษาและปฏิบัติธรรมรักษาศีลปฏิบัติธรรมเพราะการรักษาศีลปฏิบัติธรรมจะทำให้เราได้บรรลุธรรมกัน บรรลุธรรมเราก็จะกลายเป็นพระอาริยสงสารุกระื่ินมาแล้วเราก็จะสามารถเอ า, เอาเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นอีกทอดหนึ่งได้ผู้อื่นเมื่อเขาได้ยินได้ฟังเขามีศรัทธาแล้วเขาปฏิบัติตามเหมือนกับที่เราได้ปฏิบัติเดี๋ยวเขาก็ได้บรรลุธรรมมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเขาก็จะสามารถที่จะ ถ่ายทอดธรรมะให้แก่อนุชนรุ่นหลังที่จะตามมาต่อไปได้นี่แหละคือวิธีที่ศาสนาของพวกเราอยู่กันมาได้จนถึงบัดนี้ก็ด้วยการที่เราทำหน้าที่ของเราของชาวพุทธขั้นแรกด้วยการทำบุญทำทานทำนุบํำรุงพระพุทธศาสนาแล้วขั้นที่สองเราก็ศึก ศึกษาเพื่อจะได้ปฏิบัตินศึกษาเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเมื่อเราได้ศึกษารู้ว่าศีลมีอะไรบ้างเราก็รักษาศีลไปรู้ว่าสมาธิทำอย่างไรก็ทำไปรู้ว่าปัญญาเกิดขึ้นได้อย่างไรก็สร้างมันขึ้นมาเดี๋ยวเราก็จะได้บรรลุธรรมกันบรรลุเป็นโสดาบันเป็นสกิทาคามีเป็นอนาคามี เป็นพระอารหันต์กันตุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันนี่คือเป้าหมายแรกของการทำบุญทำทานเือเราเป็นชาวพุทธเราต้องทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพราะถ้าไม่มีศาสนาพุธชีวิตของเราไม่มีความหมายอยู่ไปถึงแม้จะร่ำรวยขนาดไหนจะเป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนตายมันก็จบ ตายมันก็กลับไปเวนว่าตายเกิดเหมือนเดิมกลับมาเกิดคราวหน้าก็ไม่รู้ว่าจะเกิดดีหรือไม่ดีว่ามันขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่เราทำไว้ความร่ำรวยความเป็นใหญ่เป็นโตมันเป็นได้หลายวิธีทำด้วยเป็นใหญ่เป็นโตด้วยการทำบาปก็ ม, มีมันทำบาปมันกลับมามันจะไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตเหมือนคราวนี้เพราะว่ามันมีวิบากกรรมตามมาผลกรรมตามมา ตีจะต้องกลับมาชดใช้กรรมต่อไปอย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่าต่อการทำนุบำรุงต่อการเสริมสร้างต่อการรักษายิ่งกว่าการรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่กับโลกนี้ไปนานๆให้เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายที่ยังมืดบอดอยู่ยังไม่เห็นทางสู่การหลุดพน้นจากการเวียนว่าตายเกิด แต่ถ้าเราทุกคนดูแลศาสนาแล้วศาสนาได้รับการดูแลอย่างล้นหลามจนกระทั่ง เ, เหลือเฟือเกินไปอันนี้ถ้าเราจะแบ่งเอาไปสงเคราะห์โลกก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรอย่างตัวอย่างหลวงตานีท่านก็ทำแบบนีเ้เงินทองเข้าของที่ศรัทธายาโยมถวายให้ทางวัดเมื่อทางวัดมี มากเกินไปก็ไม่ให้เก็บเอาไว้ให้เอาไปสงค์โลกข้าวสารน้ำมันของกินของใช้หลวงตามักจะไปแจกเลยบางทีท่านก็ไปแจกตามวัดก่อนไปสนับสนุนวัดที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบแต่อยู่ในที่กันดาลแลนแค้หนหลวงตาก็มักจะไปส่งข้าวของไปสนับสนุนเพราะ พาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมักเกิดในที่แดนแค้นในที่ลําบากในที่อดอยากขาดแคลนแต่ท่านไม่ค่อยกังวลท่านขอให้ท่านมีกินไปวันละเมือกินข้าวเปล่าท่านก็อยู่ได้อย่างหลวงปู่มั่นได้ข่าวท่านตอนที่ไปบปําเพ็ญองเดียวอยู่ที่เชียงใหม่บางวันท่านก็บอกมีแต่ข้าวเหนียวแล้วก็มีน้ําพริกมาห่อนึงน้ําพริกปลาละหรืออะไรมีผักให้จิ้มหน่อย ท่านก็อยู่ของท่านอย่างนั้นท่านไม่ค่อยกังวลกับเรื่องทางร่างกายเท่าไหร่เรื่องเรื่องอาหารการกินขอให้มันอยู่ได้ก็พอแต่ท่านต้องการสถานที่สงบสงดัดวิเวกสถานที่ที่ไม่มีใครมาลบกวนใจมายุ่งเกี่ยวอันนี้นี่คือเรื่องของการช่วยเหลือของหลวงตางเวลาที่ ทางวัดมีข้าวของเงินทองเหลือเฟือก่อนที่จะเก็บเอาไว้ท่านก็สงเคราะห์ทั้งวัดทั้งชาวบ้านที่อยู่ใกล้แล้วะแวกวัดนั่นแหละไปวัดไหนบางทีท่านก็ไปแบ่งให้ทั้งวัดให้ทั้งชาวบ้านด้วยส่วนเงินทองก็เอาไปใช้ทํากับที่ที่เขาต้องการใช้เงินทองโรงพยาบาลเอยโรงเรียนเออใครที่เดือดร้อนพอรู้ว่าหลวงตา ยินดีสงเคราะห์ก็มาขอกันพวกหมอก็มาขอรถพยาบาลขอเครื่องมือพยาบาลขอให้ช่วยสร้างตึกสร้างอะไรหลวงตาท่านก็ทำแต่ท่านไม่ได้ทำแบบขอขอคนอื่นมาทำของมันมาเองไม่ได้มีตั้งเป้าว่าจะหาเงินเพื่อมาช่วยโรงพยาบาลช่วยโรงเรียนเรื่องอะไรอย่างนั้น มันเป็นเรื่องที่ศรัท ธ, ธาก็เอามาทําบุญกับวัดกับท่านแล้วมันทางวัดไม่มีความจาเป็นที่จะใช้มันก็ไม่ต้องการที่จะเก็บสะสมไว้อามาใช้เป็นประโยชน์เห็นที่ไหน เ, เดือดร้อนขาดแคนก็จะไปช่วยเหลือที่นั่นแต่อย่าทาบุญด้วยการตั้งเป้าว่าต้องการเงินเพื่อเอาไปทําบุญอันนี้มันจะเป็นกิเลส อยากได้เงินเพื่อเอาเงินมาทำบุญอยากทำอย่างนี้เสียเวลาเพราะว่ามันไม่ได้มันมันไม่ได้ทำเพื่อกำจัดกิเลสมันทำเพื่อสร้างกิเลสพราเราเกิดความโลภอยากได้เงินไปทำบุญอย่างญาติโยมบางคนอยากจะทำบุญเยอะๆอยากเลยออไไปหาเงินเยอะๆเพื่อมาทำบุญทำบุญอย่างนี้ไม่ค่อยได้บุญอะเพราะมันทำด้วยกิเลส หรือไม่เอาเงินของตนก็ไปเรียลายเอาเงินของคนอื่นมาทำเป็นหัวหน้าบุญแต่ไม่มีเงินไม่มีเงินจะทำบุญก็เลยไปเรียกร้องคนนั้นคนนี้ให้มาร่วมทำบุญอย่างนี้ก็ไม่ได้บุญเพราะเราไม่ได้มีเงินทองที่เราได้เสียสละเอาเงินทองของคนอื่นไปทำบุญแต่ถ้าคนอื่นเขารู้ว่าเราทำบุญแล้วเขาขอร่วมนี้เป็นคนละเรื่องแต่เรากาลังจะไปทาบุญ ภาพป่าแล้วคนนั้นคนนี้ได้ยินเข้าขอร่วมด้วยอันนี้ก็รับมาได้อันนี้ไม่ได้เป็นการเกิดจากความโลภของเราอยากได้เงินของคนอื่นไปทำบุญแต่เกิดจากคนอื่นเขาได้ข่าวว่าเราจะไปทำบุญแล้วเขาไม่มีเวลาไปเองเขาก็เลยขอร่วมอันอย่างนี้ก็เราก็รับมาได้ต้องเข้าใจมอง เหตุการณ์นันเดียวกันแต่มันมีสาเหตุต่างกันคือมีคนมาร่วมบุญร่วมด้วยการด้วยด้วยความยินดีของเขาหรือเริ่มด้วยความลำคาญของเขาลำคาญเพราะเรา <laughs> เพราะเราไปเลี่ยายจากเขาไม่ให้เขาเขาก็จะโกรธไม่ให้เราเขาก็กลัวเราจะโกรธเขาออ อย่างนี้ไม่ใช่นะต้องให้เป็นการบอกบุญได้ยาแต่อย่าเลีอยไรยอย่าจะของเงินทองเขาอย่าไปรบกวนเขาแต่บอกได้ว่าอาทิตย์หน้าเดือนหน้าจะไปทอดท่าป่าที่วัดนู้นวัดนี้นะพูดแค่นี้แต่ไม่แต่ไม่ได้ขอนะการอยากจะร่วมไม่ร่วมอันนี้เป็นเรื่องเองแต่บอกให้รู้เท่านั้นเอง <c oughs> เดี๋ยวไม่บอกก็หาว่าไม่บอกบุญอีก อ่องต้องบอกคนที่เขาบอกเขาเขาสั่งไว้ไงแต่อย่าไปบอกกับคนที่เขาไม่ได้สั่งไว้ใชถ้ามีคนมีเพื่อนก็บอกพี่ไปทำบุญที่ไหนช่วยบอกด้วยนะถ้าอย่างเงี้ยบอกเขาได้เหมือนกับพระเนี่ยพระพระพุทธเจ้าห้ามขอห้ามม่ให้ขอของจากคนถ้าเขาไม่บอกล่วงหน้าไว้ก่อนถ้าญาติโยมไม่บอกพระไว้ก่อนว่าถ้าหลวงพี่ต้องการอะไรบอกผมนะผมจะสนับสนุน ถ้าเขาบอกแล้วเนี่ยเวลาขาดอะไรขาดจีวรขาดยารักษาโรคเนี่ยก็บอกได้บอกเขาอย่างนี้บอกเขาแล้วเขาจะไม่ลำคาญเพราะว่าเขามีเจตนายินดีที่จะช่วยเหลือแต่ถ้าอยู่ดีๆเขาไม่ได้บอกไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วไปบอกเขาเนี่ยเขาอาจจะลำคาญได้เพราะว่าไปเขายังไม่พร้อมก็ได้บางทีเขายังไม่พร้อมเขามี ค่าใช้ใจ่ายหลายด้านหลายทางด้วยกันพอมาขอมันก็ทาให้เขาอึดอจจัดใจขึ้นมาได้นี่คือเรื่องของการทำบุญทำทานเราต้องทำด้วยทรัพย์ของเราเงินทองที่เรามีอยู่เงินทองที่เราจะเอาไปใช้ไปเที่ยวกันนี่แหละ เ, เงินทองไอ้ก้อนนี้แหละที่ต้องการให้เอาไปทำบุญเอาเงินไปเที่ยวเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยของหรูหราของไม่จำเป็นต่างๆ เช่นถ้าจะซื้อรถสองล้านก็ซื้อรถห้าแสนหรือเกร้านห้าก็เอาไปทาบุญก็ได้รถมันก็สี่ล้อเหมือนกันมันก็วิ่งไปไหนมาไหนได้เหมือนกันรถห้าแสนกับรถสองล้านมันก็เป็นรถเหมือนกันอันนี้คิดแบบคนทำบุญจะคิดอย่างนี้โอเคว่าทำไมจะต้องเสียเงินแพงๆกับรถที่วิ่งได้เหมือนกันพาเราไปจากจุดนี้ไปสู่จุดนั้นได้เหมือนกัน ก็เอาเงินไปทำบุญดีกว่าอย่างนี้มันจะตัดความความโลภความอยากได้ของแพงๆของหรูหรา <Yeah. S 1> แล้วมันจะเห็นผลว่ามันมีผลแตกต่างกันมากการที่เราได้ใช้เงินไปกับการทำบุญนี้ความอิ่มใจสุขใจนี้มันไม่มีที่จะเกิดจากการที่เราได้ไปซื้อของหรูหราซื้อของฟุ่มเฟือยมาความรู้สึกมันต่างกัน อันนี้คือเรื่องของการทำทานเป็นขั้นแรกของการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนให้พุทธศาสนิกชนมาปฏิบัติกันถ้ามีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้แต่ยังเอาเงินทองไปใช้ตามความอยากอยู่ก็ให้เอาไปทำบุญทำทานดีกว่าแต่ถ้าไม่มีจริงๆไม่มีเงินเที่ยวไม่มีเงินซื้อของฟุ่มเฟือยก็ไม่ต้องทำก็ได้ เมื่อเราไม่มีกาลังทางทรัพย์เราก็ทำทางอื่นแทนทำทางกำลังกายก็ได้เรามีเวลาว่างเราก็ไปทำงานอาสาสมัครที่ไหนก็ได้ไปช่วยเหลือองค์กรการกุศลต่างๆหรือไปช่วยทำงานในวัดก็ได้ไปช่วยล้างถ้วยล้างชามล้างซ้วมอะไรเก็แบบกราดถูอะไรสถานที่ในวดัดในวาร ทำอย่างนี้เราก็ได้บุญเหมือนกันถ้าเราอยากจะได้บุญในระดับนี้แต่เราไม่มีเงินทองที่จะทำเราก็มีกำลังกายกำลังวาจาที่เราสามารถเอามาทำเป็นบุญได้ทำเป็นทานได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการสร้างความสุขการสัมผัสกับรถแห่งธรรมขั้นที่หนึ่งรถแห่งธรรมขั้นที่หนึ่งนี้มันจะไม่เข้มข้นเท่ากับ ขั้นที่สองขั้นที่สมขั้นที่สี่รสแห่งธรรมมันจะเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนน้ําผ ล, ลไม้เนี่ยมันมีหลายชนิดแบบมีผสม25 50้าเซมันขึ้นอยู่กับกําลังซื้อของคนซื้อก่อนมีกําลังซื้อน้อยก็ต้องซื้อน้ําผ ล, ลไม้ที่มีส่วนผสมน้อย ถ้ามีกำลังซื้อมากก็จะซื้อน้ำผ ล, ลไม้ที่มีส่วนผสมเต็มร้อยก็าเรียกเข้มข้นเนี่ยรถแถ่งธรรมก็เป็นอย่างนี้เป็นแบบที่มีส่วนผสมน้อยขึ้นไปหามากทานก็มีส่วนผสมน้อยกว่าศีลศีลก็มีส่วนน้อยกว่าภาวนาสมาธิถ้าสมาธิภาวนานี้ถือว่าเป็นแบบว่าร้อยเต็มร้อย ถ้าเป็นศีลก็อาจจะร้อยละห้าสิบถ้าเป็นทานก็อาจจะเป็นร้อยละ25้าอย่างนี้ลดการทาบุญทาทานจะได้สัมผัสกับลถแห่งธรรมประมาณ2 5่สปรตถ้ารักษาศีลห้าศีลแปดได้ก็จะเป็น 50% ซถ้านั่งสมาธิจิตสงบก็จะได้ร้อยเปอร์ซแต่ยังเป็นร0อยเปเซ์แบบชั่วครั้งชั่วคราวอยู่ยังไม่ถาวร ถ้าอยากได้ร้อเปอร์เซนต์แบบถาวรก็ต้องไปขั้นวิปัสสนาขั้นปัญญาเนีย่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านสอนเป็นขั้นๆไปเพราะว่ามันง่ายต่อผู้ที่จะปฏิบัติมันเหมือนกับการเรียนหนังสือมันง่ายกับนักเรียนที่เรียนไปตามชั้นที่ครูเขาบอกให้เรียนเรียนไปแล้วปีหนึ่งก็ขึ้นชั้นไปทีหนึง่งเดียเด๋ยวไม่กี่ปีก็จบเอง อย่าใจร้อนพอได้ยินได้ฟังว่าถ้าอยากได้ทำมากๆต้องภาวนาก็ไปภาวนาแต่ภาวนาแล้วจิตไม่เคยสงบเลยอย่างี้ก็เสียเวลาเปล่าๆมาหัดทำบุญทาทานก่อนมารักษาศีลก่อนมาหัดภาวนาได้เหมือนกันแต่คือให้ทำแบบผสมกันไปอย่างะนิดอย่าง ล, นางลหน่อยแต่โดยหลักเราทำทาน เริ่มต้นเราทำทานมากที่สุดก่อนแล้วก็ศีลก็ค่อยเริ่มรักษากันไปแล้วก็เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆภาวนาเราก็หัดภาวนากันไปทำไปพร้อมกันได้แต่จะเน้นไปที่ทานก่อนเพราะมันเป็นสิ่งที่ง่ายที่เราทำได้ศียรเราก็ลองหัดรักษาดูว่าศียห้าเรารักษาได้ไหม ได้ในวันไหนบ้างได้ทุกวันหรือเปล่าอย่างนี้ก็ลองฝึกไปทำไปต่อไปเราก็จะทำได้มากขึ้นมากขึ้นไปเองทำทานได้มากขึ้นรักษาศีลได้มากขึ้นภาวนาได้มากขึ้นนั่งสมาธิได้สงบนานขึ้นฟังเทศฟังธรรมเข้าใจดีขึ้นมีปัญญามากขึ้นอันนี้ เป็นการปฏิบัติที่ถึงแม้จะเป็นขั้นก็แต่ก็ทำไปพร้อมๆกันได้เพียงแต่ว่ามันจะเน้นไปในขั้นที่เราถนัดก่อนขั้นที่เราถนัดที่สุดก็คือทำบุญทำทานขั้นที่ไม่ค่อยถนัดก็คือรักษาศีลภาวนาเราก็ค่อยมาลองรักษาศีลไปลองภาวนาไปพอได้ลองได้ทำไปมากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวก็จะถนัดเองจะทำได้ง่ายขึ้น จะรักษาศีลห้าได้ง่ายขึ้นจะรักษาศีลได้มากขึ้นได้ทุกวันหรือได้มากวันขึ้นไปพอเราได้รักษาศีลห้าได้เราก็จะขึ้นสู่ศีลแปดได้พอเรารักษาศีลแปดได้เราก็จะภาวนาได้จะบาเพ็ญทาจิตใจให้สงบได้พอจิตใจให้สงบเราก็จะ เอาปัญญาที่เราได้จากการฟังเทศฟังธรรมนี้มาทำลายกิเลสตัณหาตัวที่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้หมดไปจากใจได้ตัวที่จะเดึงให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดคือกิเลสตัณหานี่เองกา ม, มาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาตัวที่พาให้เรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกัน มาทำบุญทำบาปกันแล้วก็ไปรับผลบุญผลบาปในภพต่างๆแต่ถ้าเรารักษาศีลได้ทำบุญทำทานได้ถ้าเรายังไม่ไปถึงขั้นที่สูงกว่านี้เวลาตายไปเราก็จะไปเกิดในภพที่ดีได้ทำบุญทำทานรักษาศีลก็จะทำให้เราไปเป็นเทวดากันไปเกิดบนสวรรค์ชั้นเทพกัน ตึงมีอยู่หลายชั้นด้วยกันขึ้นอยู่กับบุญที่เราทําว่าทำมากทำน้อยเท่าไหร่ศรีลเรารักษาได้มากน้อยเท่าไหร่จะเป็นตัวกำหนดว่าโอกาสที่เราจะไปเป็นไปสวรรค์ไปเป็นเทวดานั้นไปได้มากน้อยเท่าไหร่เพราะว่าถ้าบาปมีกาลังมากกว่าบุญก็ยังไปไม่ได้ถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญ บาปก็จะดึงให้เราไปใช้ผลบาปก่อนได้แต่ถ้าบุญของเรามีมากกว่าบาปเพราะเราทำบุญมากเราทำบาปน้อยเราพยายามรักษาสีห้ากันรักษาได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะจะทำให้โอกาสที่เราจะไปใช้รับผลบาปในอบายมันน้อยลงไปนั่นเองยิ่งรักษาได้มากโอกาสจะไปเกิดในอบายก็ยิ่งน้อยลงไป แล้วถ้าเราได้ทาบุญด้วยก็จะได้ไปสวรรค์ถ้าไม่ได้ทาบุญได้แต่เพียงรักษาศีลตายไปก็ก็จะไม่ได้ไปสวรรค์แต่ก็ไม่ได้ไปอาบายก็จะได้กลับมาเป็นมนุษย์ซึ่งยากที่ใครจะสามารถรักษาศีลได้และไม่ทาบุญแล้วรักษาศีลได้ทุกคนนี้ส่วนใหญ่จะต้องทำบาปข้อใดข้อหนึ่งอยู่เรื่อยๆ ไม่โกหกก็ขโมยของเขามากหยิบข้าวของคนนั้นคนนี้มากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยตบยุงฆ่ามดฆ่ า, มาแมลงฉะนั้นการที่จะว่าไม่ได้ทำบาปเลยนี่คิดว่ายากนอกจากคนที่ตั้งใจรักษาศีลจริงๆนั ง, จ, งนะจะสามารถที่จะไม่ทำบาปได้แต่นี่ก็พูดตามหลัก ทำที่ได้ศึกษาถ้าไม่ถ้าไม่ได้ทำบุญแต่ไม่ได้ทำบาบุญก็ไม่มีดึงเราไปสวรรค์บาปก็ไม่มีดึงเราไปอาบายเราก็ต้องมาเป็นมนุษย์ช่วงที่บุญกับบาปมันไม่มีกำลังที่จะดึงเราไปทางใดทางหนึ่งเราก็จะมาเป็นมนุษย์กันหรือว่าถ้าเราทำบุญมากกว่าบาปลายไปเราก็ไปสวรรค์ก่อน แต่พอบุญที่ส่งเราไปมันลดมาเท่ากับบาปมันก็ไม่สามารถดึงให้เราอยู่ในสวรรค์ได้อบายที่มีอยู่มันก็บาปที่มีอยู่ก็ดึงให้เราไปอบายไม่ได้เราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันใหม่เช่นเดียวกับถ้าบาปมากกว่าบุญเวลาตายไปเราก็ไปอบายก่อนพอบาปกับบุญเท่ากันเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ทำไมเราถึงต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ เพราะเรายัางมีกิเลสตัณหาอยู่ในใจที่ยังไม่ได้รับการกําจัดจากการทําบุญทําทานจากการรักษาศีลอย่างรบาบคาดเราลดปริมาณมันลงทําบุญแล้วก็ลดความโลภความอยากลงรักษาศีลได้เราก็ลดความโลภความอยากให้มันน้อยลงทําให้การที่เราไปเกิดไปรับผลบุญผลบาปนี้มันน้อยลงทําให้เรากลับมาเกิดเร็วขึ้นกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เร็วขึ้น แต่เรายังต้องมาเกิดอยู่เพราะว่าเรายังมีความอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะในใจของเรายังมีกามะตัญหาอยู่มีภาวะตัญหามีวิภาวะตัญหาอยู่กามะตัญหาก็คือความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดทพัพระ อยากไปเที่ยวนี่ก็กามะตนะหาละอยากจะไปกินไปดื่มตามร้านอาหารนี่ก็เป็นกามะตนะหาละอยากมีแฟนนี่ก็เป็นกามะตนะหาถ้าจะทาเหล่านี้ได้ก็ต้องมีร่างกายถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่สามารถที่จะตอบสนองกามะตนะหาได้ภาวะตันหาก็คือความอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่าอยากรวย อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อันนี้ก็เรียกว่าภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็คืออยากไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้อยากไม่ยากจนอยากไม่ให้เขาตำหนตีเตียนคาหานินทาอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอันนี้คือความอยากในทางลบไม่อยากได้สิ่งที่เราไม่ปรารถนากันนั่นเองอยากได้แต่สิ่งที่เราปรารถนากัน มันก็จะพาให้ใจเราดิ้นหาดิ้นหนีเจอของที่ไม่ชอบก็ดิ้นหนีเจอของที่ชอบก็วิ่งเข้าหามันก็เลยต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือต้องมีร่างกายพามาเกิดต้องมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆเกิดแล้วก็ต้องดิ้นหาลูปเสียงกลิ่นรส ด, ดิ้นหาราบยศสรรรเสริญกันเวลาหาก็อาจจะทำบุญทาบาปถ้าไม่ทาบาปถ้าไม่มีใครสอน ถ้าหาเก่งโชคดีหาได้มากก็อาจจะเอาไปแบ่งให้คนอื่นเอาไปทาบุญทำทานก็จะได้ทาบุญนี่คือที่สาเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดขขงโลกแลยวเกิดจากความอยากสามประการนี้พออยากแล้วก็ต้องมาเกิดพอมาเกิดแล้วก็ต้องดิน้นหาสิ่งต่างๆที่เราอยากได้บางทีก็หาโดยวิธีไม่ต้องทำบาปถ้าโชคดีหาเก่งไม่ต้อง โกงก็ก็หาหาได้เยอะก็อาจจะมีมีของมีเงินทองแบ่งไปให้คนอื่นก็ได้ทำบุญถ้าหาไม่เก่งโดยไม่ทำบาปก็ต้องไปหาโดยวิธีทำบาปไปช่อโกงไปหลอกลวงก็ไปทำบาปอันนี้พอตายไปก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปแล้วพอผลบุญผลบาป มีกลังไม่สามารถดึงให้เราอยู่ในบุญในสวรรค์หรือในบาด้ก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือสภาพจิตใจของพวกเราทุกคนเป็นอย่างนี้เวียนว่ายตายเกิดกันอยู่อย่างนี้ตายแล้วมาเกิดก็มาทำบุญทำบาปกันตายไปก็ไปรับผลบุญผลบาปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่จนกว่าเราจะได้มาเจอพุทธศาสนานี่แหละ ถ้าเราได้มาเจอพระพุทธศาสนาเราก็จะได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าอยากมาเกิดเลยเกิดไม่ดีเกิดแล้วต้องมาทำบุญทำกรรมเราต้องไปรับผลบุญผลกรรมเสร็จแล้วก็กลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆมากำจัดไอตัวที่พาให้เรามาเกิดกันดีกว่าตัวที่พาให้เรามาเกิดก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานี่เองจะกำจัดไอตัวนี้ได้ก็ต้องใช้ ศีลสมาธิปัญญามารักษาศีลกันแ้วต้องเป็นศีลระดับนักบวชศีลระดับนักบุญนี้ไม่พอศีลระดับนักบุญนี้พอที่จะส่งให้ไปสวรรค์พอให้ป้องกันไม่ให้ไปเกิดในอบายเท่านั้นคือศีลห้าแต่ถ้าอยากจะได้ศีลที่จะพาให้ไปทําลายความอยากต่างๆนี้ต้องศีลแปดขึ้นไปต้องละการหาความสุขทางตามนั่นเองเรียกว่าเนกขมมะ ในขมะศีลคือศีล8ศีลสิศีล227นี้เป็นศีลที่ละเว้นการเสพกามละเว้นการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลถะเพอเช่นศีลข้อสจากกาเมก็มาเป็นอ布拉มัจริยาจากการเสพกามให้ถูกประเพณีก็มาไม่เสพกามเลยถือศีลของศีลศพรหมจันทร์แล้วก็ไม่หาความสุข ไม่กินตามความอยากกินตามความต้องตามความต้องการของร่างกายกินแค่เที่ยงวันก็พอไม่ต้องกินตามความอยากถ้ากินตามความอยากก็เป็นการเสพกามเสพกามมากตัณหานี่ไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ดูมหรสพบันเทิงอะไรต่างๆอันนี้เป็นศีลของผู้ที่ต้องการที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิด ต้องถือศีล8ขึ้นไปตามแต่ฐานะถ้าเป็นสุบาสุุบาสิกาก็ถือศีล8ถ้าบวชเป็นสามเณรก็ถือศีล10ถ้าบวชเป็นพระก็ถือศีล227ร้สศีลเหล่านี้มีกำลังพอที่จะใช้ในการฆ่ากิเลสตัณหาได้อย่างสุภาพสตีบางท่านอยากจะถือศีลของภิกษุณีแต่ไม่มีภิกษุณีแล้วก็ไม่ต้องกังวลศีลแดนี้ก็เหลือเฟือแล้ว รักษาศีลแปดได้ก็ค่ากิเลสตัณหาได้เหมือนกันภิกษุนีนี้มีไว้สำหรับผู้ทีอ่อยากจะอยู่แบบไม่ต้องมากังวลกับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเองเพื่อพอเป็นพิกษุภสูจนีนี้ก็จะมีอาชีพบิณฑบาตมีการมีผู้ที่เขาจะได้สนับสนุนจะได้ไม่ต้องไป มีอาชีพหาเงินหาทองมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องถ้ายังเป็นอุบาสกอุบาสิกาอยู่นี่ไม่มีใครเลี้ยงเราเราต้องเลี้ยงตัวเราเองเราก็เลยต้องมีเงินมีทองหาเงินหาทองก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างคือจะทําให้เราต้องเสียเวลากับการหาเงินหาทองแต่ก็มีทางออกเพราะว่ามีภิกษุครูบาอาจารย์ที่ท่านเมตตา ที่รับอุบาสกอุบาสิกาไปอยู่วัดได้ไ่อยู่วัดแล้วก็ปฏิบัติเหมือนพระเหมือนไม่ต้องกังวลเกี่ยวับเรื่องการรับประทะหาเงินหาทองอยู่วัดก็มีที่อยู่ให้อยู่ฟรีมีอาหารให้รับประทานถ้าไปอยู่แบบเพื่อไปปฏิบัติจริงๆท่านก็ยินดีแต่ถ้าไปอยู่เพราะขี้เกียจทำงานอยู่วัดสบายอย่างนี้ท่านก็ไม่ให้อยู่ ท่านดูเป็นดูคนที่ไปอยู่ว่าไปอยู่แบบไหนดังั้นไม่ต้องกังวลถ้าถ้าส ม, มุปุรบาศิกาแล้วอยากจะอยากจะปฏิบัติเต็มร้อยแบบนักบวชก็ไปหาวัดที่มีครูบาอาจารย์ท่านเมตตารับเอาไว้วัดที่ท่านจะรับแล้วเราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินก็กินตามมีตามเกิดที่วัดมีนะวัดมีอะไรก็ท่านก็จะแบ่งให้กินไป เราก็ขอให้เราทำหน้าที่ของเราก็แล้ว ก, กันอย่าไปอาศัยวัดอยู่กินเฉยๆถ้าไปอยู่เพื่อปฏิบัตินี่ครูบาอาจารย์ท่านยินดีที่สนับสนุนแต่ถ้าไปอยู่ด้วยสายเหตุอื่นนี้ท่านก็อาจจะให้อยู่ชั่วคราวพอเห็นว่าไม่ได้เรื่องท่านก็จะเชิญเชิญออกเชิญกลับบ้านนะ <laughs> แต่อย่อยา ก, กังวลมากเกินไปสำหรับพวก ผู้หญิงสุภาพสตรีที่ไม่ได้บวชเป็นภิกษณุณีเพราะการบวชมันก็ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะบรรลุธรรมได้มีพระบวชกันเป็นแสนมีมีบรรลุธรรมกันสักกี่องค์เพราะบวชแล้วมันก็ไม่ได้ปฏิบัติกันไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัตินมันก็ไม่ได้ผลอยู่ดี่อนที่ไม่ได้บวชแล้วบรรลุก็บรรลุธรรมก็มีมันไม่ได้อยู่ที่การเป็นพระหรือเป็นภิกษณุณีเพียงอย่างเดียว บางคนที่เขาก็เขาสามารถอยู่แบบพระแบบพิกษุณีได้โดยที่ไม่ต้องบวชเขาก็เขาก็ปฏิบัติได้เต็มที่ขอให้ขอให้ได้ปฏิบัติเต็มที่ก็แล้วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนถ้าเราสามารถเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องมากังวลเกี่ยวกับเรื่องการธรรมะกินเรื่องปากเลี้ยงทองแล้วเรามีที่สงบสงดัดวิเวกที่อยู่ได้มันเราก็ถือว่าเรามีวัดของเราแล้ว ล้วก็เป็นพระของเราแล้วโดยที่เราไม่ต้องไปใส่ห่มสีเหลืองเท่านั้นเองแต่ดีไม่ดีเราอาจจะปฏิบัติมากกว่าพวกที่ห่มสีเหลืองก็มีพวกที่ห่มสีเหลืองบางทีก็หลงทางกันบวชแล้ ว, วก็ไปติดอยู่ตามเมนบ้างไปติดอยู่ตามงานต่างๆบ้างา ง, งานสวดต่างๆ ง, งานกิจนิมนต์ต่างๆบางทีก็ไปติดตามตำรา ไปเรียนจะกระทั่งเป็นปรงป ร, รียญอะไรไปแต่ไม่ได้ออกปฏิบัติอันนี้ก็ยังถือว่าหลงทางอยู่บวชจริงๆนี้ต้องไปบวชเพื่อศึกษาและปฏิบัติควบคู่กันไปอยู่ตามสถานที่สงบสงัดวิเวกห่างกายจากรูปเสียงกลิ่นลดต่างๆหลีกเลี่ยงจากภารกิจงานการต่างๆที่ไม่ที่ไม่จำเป็นต้องทำ อันนี้ต่างหากคือเรื่องของการบรรลุธรรมอยู่ที่การมีเวลาได้ศึกษาได้ปฏิบัติอย่างเข้มข้นตลอดเวลารับรองได้ว่าถ้าทำได้จะจะบรรลุธรรมได้ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายเป็นค า, ารวะหรือเป็นผู้คองเลื่อนเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่สมัยพุทธกาลมีพระอริยบุคคลทุก ทุกๆชนิดเลยผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีเป็นคารวาสก็มีเป็นนักบวชก็มีเป็นเด็กก็มีเป็นผู้ใหญ่ก็มีแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นนักบวชเป็นพระกันส่วนใหญ่จะเป็นพระเป็นนักบวชส่วนอื่นนี่ก็มีน้อยกว่าอันนี้เป็นไปตามอาจจะเป็นเพราะว่า บารมีของผู้ชายมีมากกว่าผู้หญิงในทางปฏิบัติธรรมอันนี้ไม่รู้ไม่กล้าวิาพากย์วิจารเดี๋ยวจะหาว่าไปว่าผู้หญิงอีกแต่ท่านดูตามดูตามสถิตินะมีพระเป็นผู้ชายบรรลุ ธ, ธรรมมากกว่ากูบาอจารย์ทั้งหลายนี้ไม่มีผู้หญิงมีก็มีแม่ชีแก้วเป็นมีอุบาสิกากรเขาสวนหลวงที่ในวงปฏิบัติ นับถือว่าเป็นพระอริยะบุคคลกันแต่นอกนั้นก็ผู้หญิงก็เห็นท่านได้ได้ยินก็มีแค่สองคนนอกจกนั้นก็เป็นผู้ชายเป็นเป็นพระเชื้อส่วนใหญ่รู้สึกคารวะไม่เคยได้ยินว่ามีหรือเปล่าอาจจะมีบ้างเคยได้ยินแต่ไม่แน่นใจว่าได้มีการพิสูจน์รับรองกันหรือเปล่าแต่อันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องของเขานี่เราพูดเพียงแต่พูดเปรียบเทียบไม่ฟังเท่านั้นเอง เพ่อให้เรามาดูที่ตัวเราว่าเราเป็นอะไรก็ได้เป็นบวาสิกาก็ได้ปฏิบัติธรรมหลุดพ้นได้เหมือนกันขอให้เรามีสถานที่มีเวลาปฏิบัติเท่านั้นเองแล้วก็มีครูบาอาจารย์คอยสอนถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ก็อาจจะหลงทางได้ถึงแม้จะมีหนังสือมีอะไรก็บางทีมันไม่ใกล้ชิดเหมือนกับอยู่กับครูบาอาจารย์ เวลาเราทำอะไรที่ผิดผิดแปลกแปกท่านจะเห็นทันทีท่านจะรู้ทันทีท่านจะได้มาแก้มาเตือนได้แต่ถ้าเราอยู่คนเดียวนี้ท่านก็อาจจะไม่รู้อันนี้ก็เป็นเรื่องเกดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้บรรลุธรรมเพื่อให้ได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงจะสัมผัสรถแห่งธรรมได้ก็ต้องมีความยินดีในธรรม ถ้าไม่มีความยินดีก็จะไม่แสวงหาธรรมกันถ้ามีความยินดีแล้วก็จะแสวงหาธรรมหาครูบาอาจารย์หาสถานที่ปฏิบัติธรรมเมื่อได้แสวงหาก็จะได้ปฏิบัติแล้วก็จะได้บรรลุธรรมในที่สุด mm hmm. ก็เป็นเรื่องของธรรมะในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยาถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินนงเปตานางอุปกปฏิอิที่ตังปฏิตังตูมห um ังคิปเมวะสมิจฉตุสัเพปุเรนตุสังกปายันโทปนาหราโสยาถามณิโชติ ภราสยาถาสัพีต so ิโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตราโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาทนศีริสะนิจจังวุฒาปจายิโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขัง พาลางังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ Facebook สามร้อยเจ็ดสิบห้า YouTube สองร้อยยี่สบสองวิทยุออนไลน์ยี่สิบสามและรับฟังบนเขาห้าสิบเจ็ดรวมทั้งสิ้นหกร้อยเจสิบเจ็ดค่ะ อ, อาทิตย์นี้เกินหกร้อยกว่าทุกวันอาทิตย์ทีแล้วมีต่มกว่าหกร้อยบ้าง มีใครอยากจะถามคำถามอะไรก็ถามได้นะในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองจะเขียนใส่กระดาษส่งเข้ามาก็ได้ฟังธรรมะแล้วไม่เข้าใจข้อใดข้อหนึ่งอยากจะถามก็ถามได้ถ้ายกมือขึ้นจะส่งไมโครโฟนไปให้ถามไหมทม เอาไมโครโฟนพูดใกล้ๆปากเลยนะเสียงจะได้ได้ยินไปถึงทั่วโลกเลยเนี okay. ่ยกรมน้มาสการเจ้าค well, ่ะลูกมีปัญหาเวลานั่งสมาธิแล้วหลับทุกวันค่ะแม่ตาว่าจะแก้ไขยังไงเจ้าค่ะขอบพระคุณก็อย่าเพิ่งนั่งเลยให้เดินก่อนถ้านั่งแล้วหลับก็ต้องลุกลุกขึ้นมาเดินแทนแล้วถ้าจะนั่งก็สวดมนต์ก่อนถ้าสวดแล้วก็ถ้านั่งหลับก็ ลุกขึ้นมาเดินเดินเดินสมาธิได้แทนที่จะนั่งสมาธิก็เดินสมาธิแทนได้หาที่เดินเดินกลับไปกลับมาพุโทโธพุโทโธไปก่อนสติเรามีกำลังน้อยอีกส่วนหนึ่งก็กินอาหารมากเกินไปต้องอย่าไปนั่งตอนที่กินอาหารเสร็จใหม่ๆพอกินอิ่มแล้วหนังท้องมันจะตึงหนังตามันจะหย่อนนะถ้าอยากจะนั่งควรจะนั่งในช่วงที่ท้องว่าง แต่งแค่ดีมันจะไม่ง่วงถ้าพอไปกินแล้วไปนั่งนี่มันจะง่วงนักผู้ที่ปฏิบัติท่านส่วนใหญ่จึงต้องถัดถือศีลแปดกันกินแค่เที่ยงวันก็พอพอตอนเย็นเราจะนั่งสมาธิมันก็จะไม่ง่วงนะของดีมันก็ต้องลงทุนหน่อยนะต้องเสียสละความสุขทางท้องบ้างเพื่อเอาความสุขทางใจนะต้อง ต้องต้องพยายามลดลดการหาความสุขทางท้องกินให้น้อยลงพระพุทธเจ้าบอกจะก้าวหน้าทางใจนี่ต้องลดการบริโภคอาหารลงกินเพื่ออยู่อย่าอยู่เพื่อกินอย่า ก, กินตามความอยากกินเหมือนกินยาก็พอกินให้เป็นเวลาถือสินป่าก็ได้แค่สองเวลาเช้ากับกลางวันพาหลังจากนั้นแล้วท้องจะเบา นั่งแล้วจะไม่ง่วงนะลองทำดู น, น, นะโยมนะถ้านั่งแล้วง่วงหลับก็อย่าไปนั่งเพราะมันถ้าหลับแล้วมันไม่ได้ผลสู้นอนเลยดีกว่าถ้านั่งหลับสู้นอนหลับดีกว่าอย่าหลอกตัวเองว่านั่งสมาธิดะคอพักอย่ามีอีกหัหยอยากจะหาอะไรไหมพออย่างพอเลย ไม่เอากลับมายัางกลับมาแล้วาทางนี้มีไหมทางแกล้งใหม่มีอะไรอยากจะถามไหมมาไกลาถามเถอะนะค่ะจะกลับเรียนถามท่านอาจารย์นะคะว่าการพิจารณาธาตุให้เห็นอ น, นิจจังคุณจะมีอุบายอย่างไร ค, ะค่ะอ๋อธาตุสี่นะค่ะธาตุสี่ธาตุกเนี่ยค่ะ คือธาตุนี้มันเข้ามาแล้วออกไปอยู่เรื่อยๆอันนี้จังลมเข้าลมออกนี่ก็น้ำก็เข้าแล้วก็ออกอาหารเข้ามาแล้วมันก็ออกอาหารก็เป็นดินมันก็เข้ามาส่วนหนึ่งมันก็เข้าไปเปลี่ยนไปไปไปเปลี่ยนส่วนที่ขาดแคลนในร่างกายไปเสริมไปเสริมผมไปเสริมขนให้มันยาวขึ้น ก็เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟสี่ธาตุนี้มารวมกันแล้วก็มาเสริมอ า, อาการสามสบสองแล้วส่วนที่ส่วนเกินมันก็ขับถ่ายออกไปเป็นปัสสาวะเป็นอุจจาระไปแล้วต่อไปพอไม่หายใจธาตุทั้งสี่ที่อยู่ในร่างกายมันก็จะกระจายกันออกไปไม่เที่ยงใช่ ถ้าเราจะพิจารณาให้เห็นความไม่เป็นไม่ใช่ตัวตนของเราเลค่ะจะมองอย่างไงบ้างก็มันไม่ใช่เรามันเป็นดินจะเป็นเราได้ไงดินมันเป็นข้าวพอมันเป็นข้าวแล้วมันมากลายเป็นผมเป็นขนพอมันเป็นผมเป็นขนแล้วก็ไปเรียกว่าเป็นเราขึ้นมาเองใช่ไหมอาการ32ร่างกายมันทำมาจากอะไรมันทำมาจากดินน้ำลมไฟแล้วเราใจผู้รู้ผู้คิดมาเกาะมันแล้วก็มา มาหลงมาเรียกว่าเป็นเราของเราอะไรเนยมันเป็นเราตั้งแต่เมื่อไหร่อะแต่มันมยังหลงคิดว่าเป็นตัวเราอยู่ก็ต้องคอยเตือนอยู่เรื่อยๆไงคอยเตือนอยู่เรื่อยว่าไม่ใช่เราเดี๋ยวมันก็ต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปดูเวลาเขาเก็บเศษกระดูกตอนที่ก็เผ า, าเสร็จแล้วเนี่ยนั่นแหะเป็นเราเป็นแค่เศษกระดูกเป็นแค่คิดเท่านะคือร่างกายผลลัพธ์คืนของร่างกายก็คือ เหลืออยู่แค่นั้นเองเหลือ แ, แค่คิดเท่ากเกษตรกระดูกแล้วเราอยู่ตรงไหนเราไม่ได้ให้เป็นเราเราไปหลงเองเหมือนกับมีแฟนก็ไปหลงว่าเป็นของเราเป็นของเราพอเป็นของเราพอใครไปแตะหน่อยก็โกรธขึ้นมาเสียใจยขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่หลงว่าไม่ใช่เขาเขาไม่ใช่ของเราเขาเป็นของใครก็ไม่รู้เราไปเคลมเองเฉยๆนั่นเอง เขาไม่สนใจเราเสร็ได้ซ้ําไปบางทีดารานี่เขาไม่สนใจเราแต่เราไปเคมว่าเขาเป็นของเราแลพอพอให้ไปแตะหน่อยก็เกิดไม่สบายใจขึ้นมาทุกพราะเราไปยึดไปติดไปหวงเพราะไปหลงว่าเป็นของเราเราจะยึดจะติดแล้วพอมันจะจากเรามันจะทุกข์ง่ายมากแต่ถ้าเราคอยสอนใจอยู่เรือ่อยมันไม่ใช่ของเราเรามาเกาะมันตอนที่พ่อแม่สร้างขึ้นมาเนี่ย ตอนที่ร่างกายเกิดขึ้นเกิดตอนไหนก็เกิดตอนที่เชื้อของพ่อกับของแม่มารวมกันพอรวมกันก็เกิดการก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาจากหนึ่งเซลเป็นสองเซลจากสองเซลเป็นสี่มันขยายตัวตอนนั้นเราก็มาปฏิสนธิใจปฏิสนธิวิญญาณก็มาเกาะแล้วก็มาเคลมว่าเป็นตัวเราของเราเนะี่ยที่เราต้องมาเปลี่ยนความหลงของเรา ต้องคอยสอนเตือนใจอยู่ทุกเวลานาทีว่าร่างกายไม่ใช่เราของเราเป็นเพียงดินน้ำหนุ่มไฟมันจะต้องแยกแตกแยกกลับคืนสู่ดินน้ำหนุ่มไฟมันคือมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราห้ามมันไม่ได้หยุดมันไม่ได้ควบคุมบังคับมันไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราอยากไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายที่เราทุกข์เพราะเรายากอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะเราคิดว่าเราจะแก่ไปกับมันจะเจ็บไปกับมัน ตามจริงเราไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายเราไม่มีร่างกายเราเป็นผู้รู้ผู้คิดเท่านั้นเองอันนี้เพียงแต่คิดเนี่ยพอถึงเวลาต้องทําข้อสอบเวลาข้อสอบเกิดขึ้นต้งถึงจะรู้ว่าปล่อยหรือไม่ปล่อยอเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยใจทุกข์หรือเปล่าถ้าใจทุกข์ก็แสดงว่าไม่ปล่อยอถ้าใจไม่ทุกข์ก็รู้ว่าปล่อยอ มันจะเจ็บก็เจ็บไปมันจะหายก็หายรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปแต่ใจก็แฮปปี้เหมือนตอนที่มันไม่ได้เจ็บต้องเป็นอย่างนั้นมันถึงจะเรียกว่าปล่อยแต่ถ้ามาวิตกกังวลมาห่วงใยจะตายหรือเปล่าจะหายหรือเปล่ากลัวอย่างเงี้ยแสดงว่ายังหลงอยู่ยังคิดว่าเป็นตัวเราของเราอยู่ตอนนั้นต้องใช้ปัญญามา มาทำงาน ท, ทันทีปัญญาที่เราคิดตอนนี้เป็นเหมือนการบ้านทำการบ้านอยู่ยังไม่ได้ทำข้อสอบข้อสอบจะเกิดตอนที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยตอนที่เราจะตายตอนที่เราแก่ตอนนั้นเราทำข้อข้อข้อสอบข้อแก่เนี่ยอาจจะง่ายหน่อยผมหงอกก็โกนหัวมันไปเลยนี่อัน น, นี้ผ่านผ่านเรื่องแก่ได้แต่เรื่องเจ็บเรื่องตายนี้ยังไม่รู้จะผ่านได้หรือเปล่าก็ลองดู ถ้าอยากจะทดสอบ ก, ก็นั่งมันนานๆให้มันเจ็บแล้วอย่าไปขยับให้มันเจ็บได้ให้มันอยู่กับความเจ็บไปมันจะหายก็หายไม่หายก็อยู่กับมันไปให้ได้ทาําใจให้นิ่งให้สงบแล้วจะอยู่กับมันได้อย่าไปยุ่งกับความเจ็บของร่างกายมันจะเจบ็บเหมือนเหมือนกับตอนที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยทยํา Stadium, ยังไงมันก็ไม่หายเจ็บแล้วต้องรอให้มันหายเองก็เราทําแบบที่เรานั่งสมาธิไปเป็นเป็นเป็นความเจ็บเทียมก่อนนั่งแล้วให้มันเจบ็บ แล้วก็อยู่กับมันไปมันจะหายก็หายมันไม่หายก็ปล่อยมันไปอย่าไปอยากพออยากแล้วมันจะทรมานใจถ้าเราหยุดความอยากได้เราก็ปล่อยได้หยุดความอยากให้ความเจ็บหายก็แสดงว่าเราปล่อยได้ปล่อยให้มันอยู่ไปมันจะอยู่ก็อยู่มันจะไปก็ไปพอเราปล่อยแล้วใจเราจะไม่ทรมานความเจ็บอยู่ก็อยู่กับมันได้ยิ้มกับมันได้ ถ้ายิ้มกับมันไม่ได้แสดงว่ายังยังยังไม่ปล่อยยังอยากให้มันหายอยู่ยังเครียดอยู่ยงังมึงเมื่อไหร่จะไปสักที <c oughs> แต่ถ้าปล่อยแล้วยิ้มกับมันได้เอ อ, อยู่ไปมึงอยากจะอยู่ก็อยู่ไปอยู่ด้วยกันได้ไม่มีปัญหาอะไรใจที่ปล่อยมันจะเป็นอย่างไันมันจะเฉยมันจะสบายไม่เจ็บกับความเจ็บมีรู้ความเจ็บแต่ไม่เจ็บกับความเจ็บรู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ คำถามต่อไปคำถามจากผู้รับฟังบนเขาค่ะกิจการที่ทําอยู่ต้องมีวันติดติดขัดขัดขัดสนทุกอย่างหน้าที่การงานก็มีปัญหามีทางไหนขอความแนะนําด้วยครับไม่มีหรอกโลกมันเป็นอย่างงี้โลกมันเป็นโลกไม่เที่ยงแท้แน่นอนขับรถมันยังติดเลยใช่ไหอ <laughs> ติดบ้างไม่ติดบ้าง แล้วแต่เวลาแล้วแต่จังหวะมันมีเหตุมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมหลายอย่างที่มาทำให้เกิดการติดบ้างไม่ติดบ้างถ้าไม่อยากจะติดก็ขับตอนดึกดกเลยตอนตีหนึ่งตีสองเคนนอนหลับซะส่วนใหญ่คำถามข้อต่อไปจากผู้ฝากถามบนเขานะคะเวลาสวดมนต์ได้สักพักจะรู้สึกขนลุกขนพองรู้สึกมีเสียงจะดับความ สิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรคะ อ, อ๋อไม่ต้องดับมันหรอกไม่ต้องไปสนใจเท่านั้นเองมันเป็นผลพลอยได้จากการที่เราสวดมนต์บางทีจิตมันมีความรู้สึกสงบมีปิติมันก็ขนลุกของขึ้นมาบางคนก็น้าลาน้าตาไหลก็ได้เราไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องกังวลไม่เป็นปัญหาเลยให้รู้ว่ามันเป็นผลพลอยไดจากการที่เราสวดมนต์นั่งสมาธิ ถ้าไปอยากให้มันหายมันจะเป็นกิเลส ข, ขึ้นมาแล้วมันจะทำให้ใจวุ่นวายไปเปล่าๆต้องไม่ไปสนใจรับรู้แล้วก็ปล่อยวางว่าเป็นตายรักเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปไม่มีอะไรถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาเราจะไม่เดือดร้อนถ้าเราไปอยากให้เขาเป็นแล้วเป็นหรือไม่เป็นมันจะเดือดร้อนขึ้นมาทันทีคาถามข้อต่อไปจากคุณสราวดีจากทาง youtube ค่ะ การซื <link video> ้อหวยลอตเตอรี่ถือว่าเป็นการพนันหรือไม่คะแล้วการนาเงินที่ถูกหวยมาทำบุญจะได้บุญหรือไม่คะและพระที่ซื้อลอตเตอรี่ผิดศีลหรือไม่คะการซื้อหวยคือถ้าเราจะน้าเราหวังการที่เราจะได้มีรายได้จากการซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นการพนันนะแต่ถ้าเราคิดว่าเป็นการเสี่ยงโชค เป็นการเปิดช่องบุญที่เราทำไว้มันต้องรอช่องหาช่องออก <laughs> <laughs> เราก็ซื้อบ้างแต่ไม่ซื้อแบบหมดเนื้อหมดตัวแบบอะไรแบบนั้นซื้อแบบพอหอมปากหอมคอง <laughs> ว, วดระใบยสงบยงใบอะไรอย่างเงี้ย <laughs> เผื่อบุญเก่ามันจะหาทางออก <laughs> มันจะได้มีทางออก แต่อย่าไปเล่นอนกดีที่สุดเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็เป็นเชิงพนันทั้งนั้นนะคืออยากจะได้เงินแบบง่ายๆอันนี้ไม่ไม่ดีควรจะเาเงินแบบที่ทากันที่ได้ได้แน่ๆ แ, แต่ไม่ไม่แบบว่าไม่ต้องแบบเสี่ยงแบบไม่แน่นอนแทงหวยนี่ลอตตอรี่มันไม่แน่นอนแทนที่จะได้มันอาจจะเสียมากกว่าได้ แทนที่จะเป็นประโยชน์กับเป็นโทษกับเราเนี่ยที่ท่านถึงไม่ให้เล่นการพร น, นันเพราะว่ามันไม่ได้เป็นรายได้ที่แน่นอนมันมีโอกาสได้แล้วมันก็มีโอกาสเสียแล้วถ้าเสียแล้วมันจะเป็นปัญหาเพราะพอเสียเราอยากจะได้คืนก็จะเล่นมากขึ้นไปยิ่งเล่นมากยิ่งเสียมากก็ยิ่งเล่นเดี๋ยวมันก็หมดเนื้อหมดตัวได้ รสรุปก็ไม่ควรไม่ว่าพระหรือโยมไม่ควรไปยุ่งกับลอตเตอรี่แม้และการเงินเงินที่ถูกหวยมาทำบุญจะได้บุญไหมคะได้ได้คำถามต่อไปจากทางไลน์ค่ะถ้าพระที่ท่านเทศเก่งแต่ทำผิดพระวินยัยโดยการบวชภิกษุณีเราควรไปทำบุญด้วยไหมคะ เพราะสงสัยว่าทำไมท่านไม่สอนโยมผู้หญิงที่อยากบวชพิษุนีว่าใครก็บรรลุทำได้ไม่จำเป็นต้องบวชห่มผ้าเหลืองแต่กลับเลือกทำผิดพระวินัยแทนค่ะถ้าผ้าผิดพระวินัยก็ไม่ควรที่จะไปสนับสนุนเพราะแสดงว่าไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรียกว่าปฏิบัติไม่ชอบคำถามต่อไปจากทาง facebook คุณพัชริยาค่ะ ดิฉันมีข้อสองสัยว่าการที่เราเป็นคนขาดวาสนาหมายถึงอะไรและถ้าเราเป็นคู่ผู้ขาดวาสนาเราจะทำเช่นไรให้เราเป็นผู้มีวาสนาและสามารถทำให้มีทันในชาติปัจจุบันหรือต้องรอรับผลในชาติต่ อ, ตอไปคะคือวาสนาก็เป็นผลที่เกิดจากการทำบุญทำบุญต่างๆนี่พอทำบุญแล้วเวลาเราตายไปเราก็จะไป เกิดในสวรรค์พอเราลงจากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะเป็นมนุษย์ที่มีวาสนาติดตัวมาในทางตรงกันข้ามผู้ที่ทำบาปเวลาตายไปก็ไปเกิดในอบายพอกลับมาเกิดก็จะเป็นอาภัพวาสนาเกิดมายากจนเกิดมามีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามผิวพรรณไม่ผ่องใสอาการไม่ครบ32สอง สุขภาพไม่แข็งแรงมีโรคภัยเบียดเบียนอายุสัน้นอันนี้เป็นอาการของผู้ที่กลับมาจากการทำบาปอาการของผู้ที่กลับมาจากทาบุญก็จะมีรูปนั่งหน้าตาสวยงามผิวพรรณผ่องใสมีอาการครบ32ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีอายุยืนยาวนานมีสติปัญญามีความ มีข้าวของเงินทองอันนี้เกิดจากบุญที่ทำไว้ในอดีตชาติสำหรับชาตินี้ก็ผลที่เราจะได้รับจากการทำความดีส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในจิตใจคือจิตใจจะมีความสุขแต่เรื่องเงินทองนี้จะไม่มากขึ้นแต่จะน้อยลงเพราะทำบุญมันจะให้มันมากขึ้นได้งไงทำบุญมันก็ต้องน้อยลงสิ แต่ต้องถือว่าเป็นการลงทุนสำหรับชาติหน้าเหมือนกับข้าวที่เรากินวันนี้มันเป็นข้าวที่เราปลูกไว้ปีที่แล้วข้าวที่เราปลูกในวันนี้มันต้องรอปีหน้าก่อนมันถึงจะออกดอกออกรวงนี่คือลักษณะของบุญและบาปทีนี้บางคนมันไม่เข้าใจไปมองผลที่มันมันไม่มันไม่ได้เป็นผลที่เกิดจากการทำบุญทำบาป ก, ก็เลยสับสนคนทาบาาร่ารวยใช่ไมโกงก็ร ว, วย ก็เลยคิดว่าโอ๊ ย, อยนี่นั้นไปทำบุญทำไมทำบุญแล้วไม่รวยไม่ท้อแท้ไม่อยากจะทำความดีทำแต่ความชั่วเพราะเขาไม่ได้วัดผลที่แท้จริงผลที่แท้จริงที่วัดได้ในปัจจุบันก็คือความรู้สึกในใจทำบุญจะมีความสุขใจอิ่มใจทำบาปจะมีความร้อนใจทุกข์ใจแต่ผลที่ได้รับในชาตินี้มันไม่แน่ว่าเกิดจากอะไร ก็จากการทำบาปมันก็ได้ได้ดิบได้ดีกันได้ล่ำรวยได้เป็นใหญ่เป็นโตได้คนทำความดีอาจจะไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตไม่ได้ดิบได้ดีก็มีเยอะแยะไปอันนี้ไม่ได้เป็นผลที่แท้จริงของการทำบุญทำบาปคะคำถามต่อไปจะคุณทองมูลค่ะขอกราบถามพระอาจารย์ครับ ผมนอนภาวนาผมเห็นตัวเองลอยหมุนเป็นวงกลมยิ่งบริกรรมพุทธโธก็ยิ่งลอยแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองนอนอยู่ขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ครับก็อย่าเบื่อถ้ายังถ้ามันยังลอยอยู่ลองหัดสวดมนต์ไปก่อนดีกว่าลองสวดมนต์ไปก่อนสวดอิติปิโสอะไรไปก่อนจิตเรายังแรงอยู่สติเราไม่พอที่จะควบคุมมันเราต้องเอา สติระดับของการสวดมนต์มันจะมีกำลังมากกว่าถ้าเราสวดมนต์นี้เราต้องใช้ความคิดมากขึ้นต้องมีความความคิดเกี่ยวกับการบทสวดมนต์มากขึ้นมันก็จะทำให้เรามีสติจดจ่ออยู่กับการสวดมันก็จะคุมปฏิกิริยาอาการของจิต ท, ที่มันสแสดงขึ้นได้เพราะบางทีเราพูดโทพูโทมันง่ายเราอาจจะไม่ค่อยต้องใช้ความพยายามมาก พุโทโธพุธโทโธไปแต่ใจอาจจะลอยก็ได้แต่ถ้าเราต้องสวดบทยาวๆอย่างนี้มันต้องจําได้ต้องนึกอยู่เรื่อยๆว่ากําลังสวดถึงไหนแล้วอิติปิโสผักกาวาอังสมัมมาเหมือนกับตอนนี้เรานั่งคุยกันตอนนี้จิตมันไม่ลอยใช่ไหมเพราะเรามีสติคอยกํากับพวกที่นั่งแล้วจิตลอยเป็นพวกที่นั่งแบบไม่มีสติหรือสติน้อยมากแต่ถ้านั่งแบบมีสติรับรองว่ามันจะไม่ลอย สติเนยมันยัไม่หมุนนะพูด ง, ง่ายๆมันจะนิ่งจะสงบยังถ้ามีอาการหมุนอย่างนี้แสดงว่าสติเราอ่อนมากต้องมาสร้างสติกันใหม่ถ้าพุโทโธเรายังลอยอยู่ก็ต้องมาสวดมนต์ก่อนลองสวดยาวๆสวดสักครึ่งชั่วโมงดูดูที่มันยังจะหมุนอยู่ว่าแบบคําถามต่อไปจากคุณพีโก้ค่ะกระเบียนถามพระอาจารย์ครับทําบุญอะไรถึงจะมีปัญญาเฉียบแหลมครับฟังธรรมไง ต้องมันฟังเทศฟังธรรมศึกษาธรรมสนธนาธรรมอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ฉลาดคบบัณฑิตอยากคบกับคนโง่คบกับคนโง่มันก็จะโง่าตามเขาเขาจะชวนเราโง่ด้วยอยคบกับบัณฑิตเขาก็จะชวนให้เราฉลาดแบบนักเลยนที่เขาจับกลุ่มกันนะพวกนักเลยนนี้ก็จะพวกสี่จุดนี้ก็จะเกาะติดกับพวกสี่จุดให้พวกสองจุดไม่กล้าไปเกาะด้วย าตาามมเขไ่ทันคําถามต่อไปจากคุณจตุรนค่ะกลับกลับนรมส ก, การถามพระอาจารย์ค่ะพูดไม่ค่อยออกก็เลยไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะยิ้มเป็นกรรมอดีตหรือกรรมปัจจุบันครับถ้าปฏิบัติธรรมได้ผลจะแก้ไขได้ใช่ไหมครับมันเป็นนิสัยของเราบ้าง น, นิสัยของเราเป็นอย่างนี้มาก่อนมันก็เลยติดมา จะแก้ก็ได้ก็ต้องบังคับมันไม่พูดก็พยายามบังคับมันหมันพูดหัดพูดไปเรื่อยๆตอนต้นก็หัดพูดกับตนเองไปก่อนก็ได้พูดไปแล้วต่อไปเวลาเจอใครก็พูดหัดพูดไปต่อไปก็พูดได้มันอยู่ที่นิสัยเหมือนกับเราเคยถนัดมือขวาเราก็จะใช้มือขวาไ ม, ไม่ไม่ถนัดมือซ้ายเราก็จะไม่ใช้มือซ้าย ถ้าเราอยากจะใช้มือซ้ายเราก็ต้องมาหัดใช้มันบังคับให้มันหัดใช้มือซ้ายถ้าหัดใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ถนัดเองเห็นมไหมคนที่ไม่มีแขนก็ยังใช้เท้าวาดเขียนได้เลยเอเมื่อเขาไม่มีแขนเขาก็ต้องใช้เท้าที่เขามีอยู่นี่มาเป็นตัวเขียนวาดภาพบางคนวาดภาพด้วยเท้านี่สวยกว่าคนที่วาดภาพด้วยมือเสียได้ซ้าไป มันอยู่ที่การฝึกฝนอบรมสิ่งเหล่านี้เราสามารถฝึกฝนอบรมได้ไม่ว่าจะไปในทางที่ดีหรือทางที่ไม่ดีอยู่ที่การฝึกฝนอบรมไม่เคยกินเหล้าลองหัดกินเหล้าดูเลยเดี๋ยวก็กินเก่งขึ้นมาไม่เคยเที่ยวลองเที่ยวดูเลยเดี๋ยวก็เที่ยวเก่งขึ้นมาไม่เคยเข้าวัดลองเข้าวัดเสร็จต่อไปเดี๋ยวก็เข้าวัดเก่งเอนีนมันอยู่ที่การฝึกฝนอบรม คำถามต่อไปจากคุณพีโก้ค่ะเรียนถามพระอาจารย์ครับมีสัมมาทิฐิมาจากตัวสังขารหรือตัวรู้เห็นตามความจริงครับอ๋อสัมมาทิฐิมันมาจากความคิดด้วยเหตุด้วยผลตามความเป็นจริงคือเห็นอะไรแล้วต้องเอามาวิเคราะห์ดูเช่ <c oughs> นเห็นใบไม้ <c oughs> มันร่วงลงมาีก็ถามว่าอะไรทำให้มันร่วงลงมาทำไมมันไม่ลอยขึ้นไปเช่นผลไม้นี่ไม่ใช่ใบไม้ นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งชาวต่างประเทศเขาวิเคราะห์ว่าสาเหตุที่ผลไม้มันล่วงลงมาเพราะว่ามันมีแรงดึงดูดของโลกมันถึงไม่ลอยขึ้นไปในที่สุดขเขาค้นพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ถูกโลกดึงดูดไว้เนี่ยพวกเราทุกคนนี้ทำไมไม่ลอยกันทำไมไม่เดินบนฟ้าท้องฟ้ากันก็เพราะามีแรงดึงดูดของโลกมันดูดร่างกายเราไว้ถ้าเราอยากจะลอยเราต้องมีใบพัด เนื้อลายที่จะพัดให้มันดันให้ร่างกายเราลอยขึ้นไปเราก็เลยสร้างเครื่องบินกันขึ้นมานี่ก็เรียกว่าความคิดคิดด้วยเหตุด้วยผลก็จะทำให้เกิดปัญญาสัมมาทิฏฐิขึ้นมานี้สัมมาทิฏฐิมันมีทางมันมีสองทางทางโลกกับทางธรรมทางโลกนี้มันง่ายกว่าทางธรรมทางโลกมันเป็นนามรูปประทรบเห็นได้ แต่ทางธรรมนี่มันเป็นนามธรรมาความรู้สึกต่างๆเช่นทำไมเรารู้สึกสุขรู้สึกทุกข์มันเกิดขึ้นจากอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราคิดออกที่เราทุกข์เพราะเมื่อกี้เราไปโกหกแฟนอย่างเงี้เราไม่สบายใจกลัวแฟนจะรู้ว่าเราโกหกอย่างเงี้ยที่เมื่อกี้เรามีความสุขเพราะเราซื้อของขวัญมาให้แฟนอย่างเงี้ยเราก็จะพิสูจน์ได้ว่า อ, อ๋อความสุขความทุกข์ใจของเราเกิดจากการกระทาของเรา ถ้าเราทำดีกับแฟนเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาถ้าเราไปโกหกแฟนไปทำไม่ดีกับแฟนเราก็ไม่สบายใจขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องของปัญญารู้สัมมาทิฏฐิที่เกิดได้สำหรับคนที่รู้จักวิเคราะห์เหตุกับผลคำถามต่อไปจากคุณนรุมนค่ะ <c oughs> มีข่าวที่พระพรอมมารับ <c oughs> บิณบาตมากมายอยากถามว่าคนที่ใส่บาตรจะได้บุญจากการใส่บาตรพระปลอมไหมคะได้ได้การเสียสละให้พระปลอมให้ขอทานก็เหมือนกันจะต่างกันตรงที่ว่าถูกหลอกเท่านั้นเองอย่างน้อยเวลาให้ขอทานก็รู้ว่าให้ขอทานแต่ให้พระนี่ไม่ได้คิดว่าจะให้ขอทานคิดว่าให้พระก็เป็นการถูกหลอกแล้วก็เป็นการสนับสนุน ให้เขามาหลอกลวงถ้าเรารู้เราก็ควรที่จะไม่ควรที่สนับสนุนให้บอกเขาว่าถ้าเป็นขอทานก็เป็นขอทานยินดีให้แต่จะให้แบบเป็นขอทานแต่มาหลอกกันอย่างนี้มันทำให้าศาสนาเสื่อมเสียได้ <c oughs> ถ้ารู้ว่าเขาหลอกเราเราก็อย่าอย่าอย่าให้เขาหลอกคำถามต่อไปจะคุณวัสนาค่ะหลวงพ่อเจ้าคะ นั่งดูสมาธิดูลมหายใจอานาปนาสติประมาณชั่วโมงกว่าเวทนาความปวดชามันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆควรจะกำหนดรู้ดูตรงไหนต่อเจ้าคะก็ดูลมต่อไปเรื่อยๆอย่าหนีจากลมไปถ้าเกาะติดกับลมได้ใจจะไม่วุ่นวายไปกับเวทนาที่ปรากฏขึ้นมาถ้าไปสนใจไปหาเวทนาใจมันจะเกิดอาการวุ่นวายเพราะเกิดตัณหาความอยาก อยากให้ความเจ็บมันหายไปงั้นอย่าไปสนใจกับความเจ็บที่ปรากฏขึ้นมาหรือไม่ว่าอะไรก็ตามที่ปรากฏขึ้นมาในใจในขณะที่เราดูลมอย่าไปสนใจให้อยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวถ้าเราสามารถเกาะติดอยู่กับลมหายใจได้เดี๋ยวใจเราจะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่อุเบกขาพออุเบกขาแล้วใจจะเฉยกับสิ่งที่มาให้ปรากฏรับรู้ สงบมันมีสองระดับระดับแบบยังมีสิ่งให้มารับรู้อยู่ยังรวบรู้กับความเจ็บรับรู้กับเสียงก็แต่ถ้ามีอุเบกขาก็จะเฉยสงบแบบไม่มีอะไรมาให้รับรู้เลยเรียกว่าจิตรวมเต็มที่แม้แต่ร่างกายก็หายไปอันนั้นก็เป็นมีความสงบสองระดับด้วยกันมีอุเบกขาสองระดับด้วยกันคำถามต่อไปจะคุณพัทรพงศ์ค่ะกราบนมัสการครับ มีพระอาจารย์บอกผมว่าปีหน้าดวงผมจะไม่ดีต้องให้ไปอยู่วัดกับท่านเพื่อทำความดีกรรมจะได้เบาบางลงลูกจะได้ไม่เจ็บไข้โดยต้องไปกินอยู่ทำงานปฏิบัติที่วัดครับต้องทิ้งหน้าที่การงานปัจจุบันเพื่อไปทำงานที่วัดแทนครับปกติผมปฏิบัติที่บ้านทุกวันไม่เพียงพอหรือครับพระอาจารย์เมตตาช่วยชี้แนะหน่อยครับออเรื่องดวงนี้มันเราไป เปลี่ยนแปลงหรือไปอะไรมันไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องของวิบากกรรมของเราดวงดีดวงไม่ดีดวงดีก็เป็นวิบากเป็นผลของบุญดวงไม่ดีก็เป็นผลของบาปที่เราทามาในอดีตงั้นเราเปลี่ยนมันไม่ได้มันจะเกิดก็ต้องปล่อยให้มันเกิดไปการไปวัดก็เพื่อที่จะไปฝึกจิตทำจิตให้สงบถ้าจิตสงบมันก็จะรับกับวิบากกรรมต่างๆได้อย่างไม่สะทกสะทานเท่านั้นเอง คำถามต่อไปจากคุณกันค่ะไม่หลงในสิ่งสวยงามในกรณีคนสวยคนหล่อที่เรามองเขาให้เห็นเป็นกระโหลกได้หนังใบหน้าหรือมองให้เห็นว่าในตัวเขานั้นเป็นโครงกระดูกคำถามคือโครงกระดูกที่เรามองเขานั้นเป็นโครงกระดูกที่เราสมมุติใช่ไหมครับไม่ใช่โครงกระดูกของเขาจริงๆเช่นนั้นเราควรศึกษาหาภาพโครงกระดูกเพื่อรู้ชิ้นส่วนรูปร่างขนาดเพื่อประกอบมองให้ถูกชิ้นส่วนด้วยใช่ไหมครับ ก็มองแบบไหนก็ได้ขอให้เราตัดความหลงที่ไปคิดว่าเขาสวยงามได้ก็แล้วกันตัดความอยากในกามอารมณ์ได้จะไปดูภาพก็ได้หรือจะขอให้เขาขอให้เะเลของเขามาดูก็ได้่คุณเวลาถ่ายเะเลขอส่งมาให้ผมหน่อยผมอยากจะดูก็ดูของคุณอันนี้ไม่ไม่ไม่สำคัญสำคัญว่ามันเหมือนกันอะ มันจะกระดูกของขานนี้ส่วนใหญ่มันไม่มันไม่ไม่มันเหมือนกันไม่เหมือนหน้าตาที่มันไม่เหมือนกันแต่พอเข้าไปข้างในแล้วกระโหลกศีรษะกระดูกนี่ถ้าหมอไม่เขียนป้ายติดไว้นี่หมอจะไม่รู้ว่าเป็นของคนไหนหรอกมันอาจจะมีความแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆในขนาดความยาวความกว้างอะไรเท่านั้นเองแต่รูปลักษณะโดยทั่วไปมันเหมือนกันหมด งั้นจะไปเปิดดูหนังสือก็ได้แล้วนึกถึงทุกครั้งที่เราเห็นร่างกายใครก็นึกถึงกระดูกที่เราเห็นในหนังสือว่าเหมือนกันในร่างกายของเราทุกคนมีโครงกระดูกอยู่ไม่งั้นร่างกายเราจะยืนเดินแบบที่เราเป็นอยู่ไม่ได้หอกคิดดูถ้าไม่มีโครงกระดูกร่างกายเราจะเป็นแบบไหนก็เป็นแบบแมงกระพุนใช่ไหมเก็เห็นแมงกะพุณหม <laughs> มันไม่มีกระดูกอะแมงกระพุ มมันนมัันนนนนนกกกก็็ตต้้ออองลายู่ิบพืคําถามต่อไปจากคุณภาคินค่ะสุดท้ายแล้วในตัวผู้รู้มีเราอยู่ในผู้รู้หรือเปล่าครับคือเราออกมาจากผู้รู้ไงผู้รู้คิดว่าคิดว่าเป็นเราเราเป็นผู้รู้แต่ความจริงพอเราหยุดคิดไอ้คําว่าเราก็หายไปเราก็เป็นสมมุติชั่วคราว แต่บางทีเราก็ต้องใช้คําว่าเราระหว่างที่เราพูดกับผู้รู้อีกผู้รู้หนึ่งถ้าเราบอกคุณก็เป็นผู้รู้เราก็เป็นผู้รู้แล้วผู้รู้ไหนแล้วพูดถึงผู้รู้อันนี้ก็ต้องสมมุติว่าเอเราผู้รู้นี้คุยกับเธอผู้รู้นั้นตอนนั้นเองแต่เป็นเพียงสมมุติเท่านั้นเองให้รู้ว่าเออผู้รู้มันคนละผู้รู้กันคําถามต่อไปจากคุณโอวัชค่ะ การฟังเทศมหาชาติที่มีวัดเขาจัดขึ้นมาเทศกันสองสามวันมีสามสิบกันทาไมยาวมากครับและมีบุญอ น, นิสงอย่างไรครับคือโบราณเนี่ยมันโอกาสจะฟังธรรมมันไม่ค่อยมีไงเขาก็เลยพอมีช่วงไหนที่เป็นเทศกาลเขาก็เลยจัดเป็นงานเทศกาลมาฟังธรรมกันก็เลยจัดกันหลายๆวันจะได้ฟังนั้นให้จุใจ เพราะสมัยก่อนจะฟังธรรมนี่ต้องไปวัดกันไปในวันพระกันอาทิตย์หนึ่งก็ได้ฟังสักครั้งหนึ่งฟังครั้งหนึ่งเนี่ยพอกลับมาบ้านไปทำงานเดี๋ยวก็ลืมหลายคนเลยบางคนเลยคิดว่าต้องหาวิธีให้ฟังกันรลายายวันต่อเนื่องมันจะได้ไม่ลืมก็เลยจัดงานเทศมหาชาติขึ้นมาความจริงก็เท่เกี่ยวกับเรื่องประวัติชีวประวัติของพระพุทธเจ้าสิบชาติเนี่ย พระพุทธเจ้าท่านเคยเล่าว่าอาดิตชาติของท่านนี่ท่านเคยเป็นอะไรมาบ้างท่านก็ยกตัวอย่างว่าเป็นพระเวชสันดรเป็นพระมาหาอะไรเนี่ยมีพระเตมีมีอะไรแล้วท่านก็เล่าประวัติของพระแต่ละลูกว่ามีความเป็นมาอย่างไรเน้นในด้านบา ร, รมีอันไหนพระเวชสันดรก็เน้นในในด้านทานพระมาหาชน ก, ก็เน้นในเรื่องวิริยะความภาคเพีย พระเตมีก็เน้นในเรื่องอุเบกขาเป็นบารมีสิบก็เลยมีพระเจ้าสิบชาติขึ้นมาทีพระเจ้าสิบชาติอาจจะต้องแบ่งเป็นสามสิบตอนก็ได้เพราะว่ามันยาวก็เลยมีเทศสามสิบกันอะไรทํำนองนี้ให้ครบชุดเนี่ยแนะนำจะเทสมหาชาติทั้งทีก็เอามันให้ครบเลยสิบชาติของพระพุทธเจ้านั่นก็คือ ที่มาที่ไปแต่เขาังจะจัดกันแค่ปีละครั้งในช่วงเทศกาลออกพรรษาหรือช่วงไหนไม่ทราบก็จะก็ได้มีโอกาสได้ฟังกันแต่สมัยนี้เราอยู่ในยุคที่เราใกล้ชิดกับสื่อเราใกล้ชิดกับธรรมเราอยากจะอ่านเทศสิบชาตินี้เราสามารถเข้าไปอ่านได้ในมือถือเราเลยเพียงแต่เสิร์ชเข้าไปใน Google มันก็โผล่ขึ้นมาแล้วเราก็อ่านของเราไปได้ โดยการศึกษาก็จะได้ความรู้ไงความรู้ต่างๆเกี่ยวกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งมีหลากหลายด้านด้วยกันเพราะพระพุทธเจ้าก็สอนหลากหลายด้านแต่ถ้าเราไม่ต้องการที่จะรู้มากก็ให้รู้แต่เฉพาะด้านที่จะมาแก้ปัญหาของเราโดยตรงคือด้านการปฏิบัติทานศีลภาวนาอันนี้เป็น นารทมที่จะมาแก้ปัญหาคือความทุกข์ต่างๆส่วนธรรมอย่างอื่นประวัติของพระ อ, องค์นี้เป็นการศึกษาเพื่อเสริมความรู้เสริมศรัทธาก็ได้บางทีเรายังปฏิบัติไม่ได้เราฟังเทศฟังธรรมแล้วก็อาจจะได้คติธรรมได้ข้อคิดได้มีศรัทธาเคยขี้เกียจอาจจะหายขี้เกียจก็ได้อะไรทานองนี้ มันก็เป็นธรรมแต่ละด้านที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาสั่งมาสอนอคำถามหมดเอ่เวลาหมดพอดีไอคอนหนึ่งก็แล้วกันค่ะคำถามจากคุณเจวอลส์ค่ะสอบถามเรื่องมงคุ38ในเรื่องการทำนุบบำรุงบิดามารดาถ้ามารดาสามีบางครั้งเขาพูดเชิงมิจฉาทิฏฐิบางครั้งเคยพูดแก้ไขในเรื่องที่เรารู้จริงๆเขาก็ไม่ถูกใจ ข้อที่หนึ่งถ้าปล่อยให้เขาบ่นพูดผิดผิดไปเรื่อยๆขอพระอาจารย์ช่วยเมตตาแนะนำสั่งสอนค่ะ อ, อผู้ใหญ่ถ้าเราบอกเขาไม่ได้เราก็ต้องเฉยเพราะว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ถ้าท่านไม่ยินดีฟังเราพูดเป็นผู้น้อยเราก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรมของท่านไปถ้าท่านยินดีจะฟังเราก็พูดได้ข้อที่สอง ทั้งๆ ท, ที่สามีและพ่อสามีก็รู้ความจริงแต่เขาก็ไม่กล่าวใดๆนี่คือการละเลยไม่ดูแลจิตใจหรือไม่คะไม่หรอกเขารู้หน้าที่ของเขาเขารู้ฐานะของเขาว่าวบางทีพูดไม่ได้ก็อย่าพูดดีกว่าพูดแล้วเป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นมาโกรธเกลียดกันก็อย่าพูดดีกว่าหมดแล้วใช่ไหมเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิษพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญและการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงที่จะตามมาต่อไปก็โดยทั่วหน้ากันเธอ